เราะมันนะ่าจะจะเริ่มพูมธธรรมใาตโยมได้ความกันเพื่อเป็นประโยชน์็นการเสริมสร้างศรัทธาความเชื่อให้มีแน่นหนามั่นคงมากขึ้นเพื่อให้เกิดฉันทะ วิริยะจิตตะนิมังสานิมทาคือความดีดีที่จะศึกษาและปฏิบัติตามที่พทุกเจ้ารสมสัมโสดวิริยะก็คือการภาครื่นอุตสาหะที่จะปฏิบัติตามจิตะคือจิตใจที่จัจ่อกับการศึกษาและการปฏิบัตินิมังสาคือการทถ่โผล่คิดอยู่กับ เรื่องของการปฏิบัติถ้าจิตใจมีปณธรรมทั้งสี่ห้าประการนี้แล้วผลต่างๆที่พระศาสนาจะมอบให้กับผู้ปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาตามนั้นแบบอย่างแน่นอนไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองที่จะ ออยายาปูกังศรัทธาความเชื่อฉันทาวิริยะจิตตานุันาเจออิธิบาสุให้มีในจินใจของตนเพราะอิธิบาสุนี้เป็นเหตุเป็นทาดังคำดังชื่อของอิธิบาสบาตว่าทาอิทธิบาว่าความนี้ญา การสู่ความยิ่งใหญ่ก็จะเป็นเหตุที่จะพาให้เราไปสู่ความยิ่งใหญ่ก็คือมรรคผลนิพพานในความยิย่งใหญ่ต่างๆในโลกนี้ไม่มีอะไรจะยยิ่งใหญ่เท่ากับมรรคผลนิพพานต่อให้ได้เป็นนานยกวัฒน์มนตรีประธานาธิบดีเป็นมหากษัศาสตร์เป็นมหาจต่พรพัฒน์ก็อย่าง ได้ดีเท่ากับการได้เป็นพระอริยบุคคลท่านต่างๆตั้งแต่ขา้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายเพราะการได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นการหลุดพ้นจากาความทุกข์ที่คอยมเหงรังแก่จิตใจอยู่มาตลอดเวลา ให้หมดไปเป็นอย่างอื่นถึงแม้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนในสายตาของทางโลกกไ็ไม่สามารถที่จะหยุดทนจากการหยบย่ำทำลายความเห็นวางแก่ของความทุกข์ชนิดต่างๆได้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นหมือนล้านแสนล้านก็ยังทุกห์อย่าว น, นวายใจอยู่เป็นเป็นประธานาทธิประดิษ์เป็นมหาวัตถุ เป็นาอันตรภาก็เช่นเดียวกันเพราะการเจริญเสียงนี้การมีทรัพย์สมบัติเขาของเงินทองไม่ได้เป็นเหตุที่จะใป่กำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในจิตใจของสาสตร์โกได้มีเพียงอย่างเดียวนั้นก็คือธรรมะพระทาคธรรมสอนของพระพุทธเจ้าที่จะ ตามจากความทุกข์ต่างๆให้ไปจากติกจากยายน่าแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่สองลักษณะคือธรรมะที่ปรากฏอยู่ภายนอกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังมีเรียกว่าเป็นธรรมะภายนอกและธรรมะภายในคือธรรมะที่เกิดขึ้นจากการบรําเพ็ญปฏิบัติตามคําสอนของธรรมะภายนอก ธรรมะภายนอกคุณแม่จะวิเศษขนาดไห น, นจะออกจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้าก็ตา่านหรือออกจากปากของพระอาหารกรตา็ต่างถ้าผู้ฟังฟังแล้วไม่ได้น้อมเอาเข้ามาในจิตในใจไม่ได้โอกลัณยิโกน้อมเอาเข้ามาใค่ายควรศึกษาสอนจิตสอนใจและ ปฏิบัติกับยาแล้วธรรมะเหล่านั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับยาที่หมอให้กับคนไข้ถ้าคนไข้ไม่นำยาไปรับประทานยาจะวิเศษขนาดไหนก็ตามโรคภายใข้ทิพยของคนไข้ก็จะไมห่หายหมดไปได้เพราะไม่ได้ นำยาที่วิเศษนั้นเข้าไปสู่ร่างกายเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนยาที่วิเศษที่เราเรียกว่าธรรมโอสถถ้ามีธรรมโอสถแล้วไม่ไม่รับประทานธรรมโอสถด้วยการปฏิบัติธรรมโอสถที่ิที่แสนวิเศษนี้ก็ไม่สามารถที่จะช่วยจิตใจของเราได้ ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราได้แต่ถ้าเรานําเอาเข้ามาสู่ใจด้วยการปฏิบัติด้วยภาศัยกิทธิบัตินี้คือฉันทะมิริยะกิจามิวังสาแล้วธรรมะก็จะทําหน้าที่มีทันทีในการทําจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปในที่สุดอย่างที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้บาเพ็ญมาในอนดีตตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทรงประกาศพระธรรมเทศนาครั้งแรกก็มีผู้ฟังนั้นได้ย้อม <c oughs> เ, เ, เอาัพระธรรมคำสอนเข้าไปสู่ใจของตนและได้บรรลุ เป็นพระอริยบุคคลท่านต่งางๆตามลาดับเป็นจานวนมากก็ขึ้นจากการที่มีอิทิบาทสิ่นี้เองดังนั้นธรรมะก็มือที่สำคัญอยิงย่งต่อการที่จะทำให้มรรคผลไม่พานปรากฏขึ้นมาญา้ก็คือต้องมีอิทิบาทสิ่คือต้องมีความยิดี ครับธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้เมื่อมีความยินดีแล้วก็จะมีวิริยะความอิ ส, สระภาคเพียงที่จะปฏิบัติต า, ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจะยากเย็นอย่างไรเพียงไรก็จะไม่เป็นอุปสรรคถ้ามีวิริยะมีความอิ ส, สระภาคเพียงแล้ว ไม่ช้าก็เร็วผลที่ปรารถนาก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนอย่างไดอยู่พาริที่พูดได้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นถ้าไม่มีความพยายามแล้วต่อให้มีความปรารถนามากเพียงไรก็ตามต่อให้อธิษฐานจิตมากเพียงไรก็ตามก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างแรง เป็นคนไข้ที่อยากจะหายจากไข้แล้วก็อธิษฐานขอให้หายจากไข้แต่ไม่ยอมรับประทานยาที่หมอให้มาอธิษฐานไปจนวันตายก็โรคก็ไม่หายเพราะโรคไม่ได้หายจากการอธิษฐานโรคหายจากยาหรือในความทุกข์จะไม่หายไปจากใจจากการปรารถนาจากการอธิษฐานแต่จะหาย จากการรับประทานยะธรรมโอเศสจากการนำเอาธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่ในใจด้วยการปฏิบัติอย่างไม่ท้อถอยปฏิบัติอย่างสม่าเสมอปฏิบัติอย่างต่อเนื่องามี่อใีวิทยะแล้วก็จะมี จิตใจคือใจก็จะดจดจ่ออยู่กับเรื่องธรรมะเป็นหลักเรื่องอย่างอื่นถือว่าเป็นไม่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแต่ถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องทําหรือให้ความสนใจก็ให้เท่าที่จําเป็นเช่นการดํำรงชีพก็ต้องมีการทํามาหาเงินเรื่องปากเลี้ยงท้องที่ไม่ได้จะเห็นว่าเป็นงานหลัใกใจจะไม่จดจ่ออยู่กับ การทำอาหารสิ่มากสิ่งเกินไปหรือการหาความสุขจากสิ่งต่างๆงอื่นๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็จะไม่ให้ความสําคัญแลถ้าตัดได้ก็จะพยายามตัดจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวเพราะไม่ได้เป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ มีแต่จะฝูกจิตใจให้ทุกข์แค่ติดอยู่กับความทุกข์อยู่ไปเรื่อยๆดัง น, นั้นพู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการยึนว่าตายเกิดจากความทุกข์ทั้งหลายจะต้องมีจิตตระคือใจที่จบจออยู่กับธรรมะ ธรรมะนี้ก็มีหลายประการอังที่ได้พูดไว้ธรรมะภายนอกก็คือการได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยหรือการอ่านหนังสือก็เป็นธรรมะได้อยู่กับธรรมะแบบนี้ก็ได้หรือจะอยู่กับการเจริญธรรมะภายในใจก็ได้เช่นพิจารณาธรรมชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็น รูปก็ะดีเวทนากรดีสัญญาก็มีสังขารก็ดีเยี่ยานก็นดีหรือหรือรูปเขียนถึงวถรทธะดีถือถ้าจะพิจารณาให้เป็นธรรมก็ต้องพิจารณาด้วยสละกือต้องพิจารณาเสอว่าเป็นสิ่งที่ไม่ทแท้แน่นอนเป็นที่ให้ความทุกและไม่ใช่ตัวตอน ไม่มีตัวตนในสิ่งเหนี้เพราะถ้าเห็นด้วยเห็นเห็นด้วยใจรักแล้วใจจะปล่อยวางได้แต่ถ้าไม่เห็นด้วยใจรักเห็นก็เห็นแบบดูความยึดมั่นคิดกับร่างกายก็อยากจะให้อยู่ไปนา น, านอยากจะให้หน้าตาดีไปนานๆอยากจะให้สุขภาพของมีแข็งแรง ใจหนางงานไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้เป็นการเห็นไม่ใช่เห็นอยบกธรรมะไม่ถือว่าใจอยู่กับธรรมะไม่ได้เจียวอยู่กับธรรมะเพราะว่าเห็นแบบกิเลสเห็นแบบความหมนุนเห็นแบบทางโลกเห็นเพื่อสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเพราะเมื่อเห็นร่างกายของเราว่าตอนนี้กำํำลังเหนุนแน่นกนําลังสาว กำลังสวยกำลังมีรูปหน้าหน้าตาทีด่ดีก็อยากจะให้เป็นอย่างนี้กำลัง น, นาวหอความจริงของอริยจังปรากฏขึ้นมาก็จะทำให้มีความทุกข์มีความรำสรารรสาขึ้นมาทา ง, งจิตากแล้วก็จะไปแก้ด้วยนิธีที่ไม่ถูกต้องโดอแทนที่จะแก้ที่ใจ คือสอนใจให้รับความจริงก็พยายามที่จะไปปรงแต่ปกแต่หน้าตาร่างกายของตน้ดยวิธีการต่างๆใา้เครื่องสมอางก็ดีวรใจะใช้สัานการม์ก็ดีซึ่งเป็นการสร้างความจริงอย่ามากในการไม่เลื่อนแสดงมาก แสดงว่าไม่มีธรรมะอิปานใจิจมีแต่ความหลงไม่ไม่เห็นความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะติดอยู่กับกองทุกข์ไฟเรื่อยๆะตายไปก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ได้มาเจอสิ่งที่วิเศษอย่างยิ่งก็คือพระพุทธศาสนาะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่นานๆจะมาปรากฏให้แก่สรรโลกได้เป็นที่พึ่งสักครั้งหนึ่งมัวแต่ไปหลงอยู่กับลูกเสียงกินรสปวดทพาที่จะให้ความสุขกับตนแทนที่จะเห็นว่ามันไม่ได้ให้ความสุขหรือแต่จะให้ความทุกข์ก็เลยต้องอยู่กับควางทุกข์ไปเรื่อย นี่คือความหมายของจิตตะคือถ้าจะคิดจิตใจขาคิดไปในทางธรรมคิดไปในทางอนิจจงทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรจะมีอะไรจะได้อะไรมาจะสีอะไรไปถ้ามีอนิจจ์ทุกขังอนัตตาอยู่ในใจแล้วาจจะไม่มุ่นวายาจจะไม่ทุกข์ หรือถ้ายังไม่ปล่อยวางไม่ได้หมดก็จะไม่ทุดงานและจะไม่ถุกมากพอทุกข์ก็จะได้สติเตือนสติให้นิจจนาในใจลักทันทีพอเห็นใจรักแล้วก็จะปล่อยวางไม่ถึงความจริงยอมรับความจริงเช่นเวลาที่สูญเสียอะไรไปถ้า มันได้พิจารณาไว้โน่งหน้าก่อนพอสูญเสียไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีแต่พอได้สติว่าเรากําลังหลงเพราะความทุกข์นี้เป็นเหตุที่เกิดจากความหลงยึดติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนพอได้สติก็พิจารณาดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งนั้นนั้นพอเห็นชัดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอน ชาลุ่มเร็วเทนั้นเองถ้าไม่จากวันนี้มันก็ต้องจับในวันต่อไปข้างหน้าดังนั้นมันไม่แตกต่างกันมันจากวันนี้ก็มันก็เหมือนกันกับจับพรุ่งนี้แต่ถ้าเรารู้ทันแล้วเราปล่อยวางได้ความทุกข์ที่มีอยู่เคขนาดนั้นก็จะหายไปนี่คือเรื่องจิตตา แล้วความจริงมันก็เกี่ยวข้องกับวิมังสาด้วยวิมังสาก็คือการค่ายควรด้วยเหตุด้วยผลก็ถูกค่ายควรด้วยอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาจิตตะก็ให้เกิดเจาะอยู่กับเรื่องของธรรมะก็เรื่องของอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาในเรื่องของการปฏิบัติทำขั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่ทานศีลพจนาขึ้นไปเช่นที่ท่านทั้งหลายวันนี้ก็มีจิตใจเกิดเจา อ, อยู่กับ การบำเพ็ญทานได้ไปถวายวัดพัฒถินก็เป็นทานอย่างหนึ่งเป็นสังฆทานครับจิตใจก่อนที่จะไปทำก็ต้องมีใจจดจ่อเตรียมเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมจิตใจต่างๆเพื่อที่จะได้นําออกไปถวายวัดดังนั้นถ้าจิตใจอยู่กับเรื่องเหล่านี้แล้วจิตใจก็จะ มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมีการสร้างมีการเสริมสร้างหรือว่ามีการเอาธรรมโอสฐ์เข้าไปสื่อในใจต้องเข้าไปด้วยการปฏิบัติทานฟังเฉยๆนี้ถ้าฟังแล้วไม่ได้นำเอาไปใช้กับใจผนก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาบางท่านนี่เวลาฟังแล้ว สามารถบรรลุทําได้ในขณะที่ฟังเลยเพราะใจของท่านงันสามารถที่จะน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปในใจและกำจับอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสินาา่งต่างๆได้ทันทีโดยไม่ต้องรอไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลไปภาวนา คือใจนั้นมีอยู่แล้วในเรื่องเหล่านี้ใจเป็นธานอยู่แล้วใจเป็นสีอยู่แล้วใจเป็นสมาธิในความสงบนิ่งอยู่แล้วเพียงแต่ขาดปัญญาถ้าเป็นใจแบบนั้นก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ในขณะที่ความธรรมแต่ถ้าใจยังไม่เป็นทานยังมีความตนันยังมีความหงแหน ยังมีความอยากได้ในสิ่งต่างๆอยู่ใจยังไม่รักษาสิ่งนั้บ่อยสุดอยูใจยังเสียดายเพื่อนโถงเสียดายสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยต้องพูดปดบ้างต้องทําอะไรที่ไม่ถูกสิ่ถูกทำบ้างอย่างนี้ถือว่าใจยังไม่เป็นสี่งน่าใจก็ไม่สงบเวลาฟังก็วอกแวก ไม่ได้อยู่กับการฟังโดยอย่างต่อเ น, นื่องฟังแล้วก็ถูกความคิดอย่างองื่นฉุดลาก่าให้ไปคิดถ้าฟังแบบนี้แล้วปัญญาก็จะไม่ปรากบขึ้นมาเท่าที่ควรก็ไม่พอเพียงกับการที่จะทำให้บรรลุทำได้แต่ถ้าใจนั้นเป็นทานไม่กังวลไม่ห่วงไม่ยึดไม่ติดกับ สิ่งของต่างๆบุคคลต่างๆใจไม่บิดเบียนผู้อื่นมีความบริสุทธิ์ทำได้านการกระทํางทางกายทางวาจาและใจมีความเงื่องสงบในขณะที่ฟังขณะที่ฟังก็ค่อยๆพิจารณาตามไปอย่างนี้สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟัง ดังนั้นจึงไม่เป็นเรื่องแปลกอะไรที่ในสมัยพระพุทธกาลที่มีผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่นั้นได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆกันอย่างรวดเร็วและเป็นจํานวนมากเพราะบุคคลเหล่านั้นที่พระพุทธเจ้าทรงไปโปรดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ยใจเป็นทานอยู่แล้วใจเป็นสินอยู่แล้ว ได้เป็นสมาธิอยู่แล้วคือนักบวชในในลัทธิพุทก็เป็นพวงเดียวเป็นพวกที่มุ่งมั่นต่อธนาะความหลุดพ้นจากควา ม, วามทุกเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นนักบวชเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเช่นพระปันจากวัคคีก็ติดตามรับใช้พระพุทธเจ้าเป็ น, ปนถือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหวังเพื่อพระพุทธเจ้าพ็ทรงเห็นว่ามีพระปัญ ยาบรลมีมากเพราะตัวพวกเขาเองนั้นรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะหาทางหลุจากความทุกข์ได้ต้องอาศัยเอกบรุทอย่างพระพุทธเจ้าซึ่งในสมัยที่ทรงประสูติใหม่ๆก็มีโหนได้รพยากรนันแล้วว่าจะต้องได้เป็นพระศาสดาอย่างแน่นอน ยังมีผู้ที่ฝากความหวังนี้ไว้กับพระพิปอเจ้าเป็นจำนวนมากอย่างน้อยก็ทาพเป็นจา้าวักขีทั้งห้าแต่เมื่อมาถึงตอนตรายของการปฏิบัติเรื่งต้นงคิดว่าการที่จะหลุดพ้นก็ต้องก็ต้องทรมาณมากกาต้องจัดความอยากต่างๆเช่นความอยากในการรับประทานอาหาร ทงคิดว่าเมื่อไม่สวยไม่อยากรับประทานอาหารแล้วก็ความอยากต่างๆก็จะหมดไปความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปแต่เมื่อได้ทรงอดทักษะยาหารถึงสี่สเก้าวันก็ยังเห็นว่าพระชายของพระองค์นั้นยังมีความ ย, ายังมีความตื่นนอนอยู่เหมือนกับไม่ได้อดนะเหมือนกับในครั้งที่ไม่ได้อดทักษะยาหารเลยเมื่อเห็นห น, นั้นๆก็ทรง พิจารณาว่ามาผิดทางเสียแล้วถ้าเดินทางนี้ต่อไปก็จะต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนแล้วก็จะไม่ได้รับไม่ได้ผลไม่ได้รับผลในที่พระองค์ทรงตรัสนายยอมเหมือนกับกลืนน้ำลายตัวเองยอมเลิกอดาหารพอพระปัญจวัคคีย์เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงเลิก การทานอาหารก็เลยคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงยอมแพ้แล้วยอมแพ้กับกิเลสมาชู้กิเลสทรมานไม่ได้พวกเขาก็เลยเกิดความเสือส่อมศรัทธาในตัวของพระองค์จึงตีจากไปแต่หลังจากที่พระพุทรอง์ได้พิจารณาแล้วกลับมาสวยปัจอาหารแล้วทรงพิจารณาเห็นว่าความอยากนั้นนั่นอยู่ในใจ และหลับมันได้ด้วยสองระดับด้วยกันคือการทำจิตใจให้สงบนิ่งมันก็หยบอยากได้แต่มันเป็นการหยุชั่วคราวในขณะที่จิตสงบนิ่งอยูแต่พอจิตถอนออกจากความสงบเริ่มคิดอะไรขึ้นมาก็มีความอยากขึ้นมาอีกเป็นพิจารณาว่าอะไรที่ทําให้เกิดความอยากก็ทรงเห็นว่าพราะเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นดีพิเศษ ที่จะให้ความสุขกับนไล้เห็นดังนั้นก็พยายามพิจารณาดูว่าถ้ามันเป็นอย่างที่คิดหรือไม่มันมันดีจริงหรือไม่มันมิเศษ จ, จริงหรือไม่มันเป็นสุดจริงหรือไม่พอพิจารณาก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่พิเศษที่ให้ความสุขได้อย่างแท้จริงและทรงพิจารณาว่าแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดอยู่กับตนไปตลอดหรือไม่เป็นของเราจริงๆหรือไม่ เชใจของเราเนี่ยมันเป็นของเราจริงๆเพราะมันอยู่กับเราตลอดเราอยู่กับมันตลอดแต่สิ่งอื่นๆนั้นมันอยู่กับเราไม่เปล่ามันไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมบัติสัดทันชมเป็นสมบัติชั่วคราวเท่านั้นแม้แต่สังขารร่างกายที่วิมีอยู่นี้ก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นสมบัติถัดทันชมเป็นของเราชื่วในขณะที่มันมีชีวิตอยู่ พอมันหยุดมัยุดหายใจมันก็กลับกลายเป็นของท่าที่ดินน้ำลมปล่อยไปลองพิจารณาจนในที่สุก็ส่งเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนก็สามารถบรรลุหยุดพ้นจา ก, กความทุกข์ได้ด้วยการปล่อยวางอุปทานด้วยการกำจัดความหลงที่เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเ น, นียแล้วมีให้ความสุขกับเราเป็นสมบัติของเราและจะอยู่กับเราไป ต, ตลอดได้เพราะตราเห็นแล้วว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นตรง ข, งข้ามกันมันเป็นมันนิจังทุกขาราชาทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็คือสิ่งต่างๆที่เราเห็นกันอยู่และยินกันอยู่ได้สัมผัสกันยู่ด้วยตวารทั้งห้า และสิ่งต่างๆที่ปรากฏภายในใจก็เช่นเดียวกันที่สัมผัสได้ในใจไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ต่างๆความสุขต่างๆความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไม่ให้ยินดีกับความสุขภายในใจเพราะเมื่อกิดความยินดีเวลา ค, ความสุขนั้นมันหายไป ป้ากดเป็นความไม่ทุขไม่ทุกขึ้นมาหรือขาดเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ความในใจขึ้นมาแต่ถ้าเห็นแล้วปล่อยวางไม่ยินดียินร้ายกับความสุขความทุกข์ทั้งภายนอกและภายในใจก็จะอยู่ในอุเบกขาอยู่ในสภาพที่ไม่รุ่นร้ายไม่กระทบ ก, กับ สิ่งต่างๆที่มาสัมผัสเ น, นี่ยดังนั้าใจก็จะไม่มีความเติดต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพเจ้าได้ทรงปฏิบัติเมื่อได้ทรงรู้ทรเห็นแล้วก็ได้นําเอามาเผยแพให้กับสา์โลกทําให้สารโลกที่เมื่อก่อนนี้อยู่แบบไม่มีความหวังอยู่แบบไม่มีทางเลือกได้มีทางเลือกแล้ว เมื่อก่อนนี้อยู่แบบมีทางหีืทางเดียวคือเก่แก่เสียตายทำแล้วซ้ําอีกวนไปเวนมาอยู่อย่างนั้นน้พบน้อยพบใหญ่สูงบ้านต่ำบ้านขึ้นอยู่กับหินกับกรรมของตนที่ได้ทาไว้แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาปรกาปรกฏมาประกาศประทานคาสอนแต่เราก็มีทางเลือกเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ายังมีอีกทางหนึ่งที่เราไปได้ คือทางที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ทุกข์กับอะไรทั้งสิ้นดังนั้นพอเราพอมีทางเลือกแล้วก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแต่ละคนที่จะต้องตัดสิสนใจเลือกเอาว่าจะไปทางไหนทางเพราะไม่มีใครเดินทแทนเราได้ไม่มีใครปฏิบัติทแทนเราได้ไม่มีใครเลือกทแทนเราได้ไ แม่เหวินในสมัยเด็กๆพ่อแม่เลือกโรงเรียนให้เราได้เลือกเชื้อผ้าให้เราใส่ได้แต่พอเราโตโแล้วเรื่องของทางเดินสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์หรือการเดินสู่เข้าสู่กองทุกนี้ไม่มีใครเลือกให้เราได้ถึงแม้เลือกให้ก็ถ้าเราไม่รับทุกอย่างมันก็ก็เหมือนกับไม่ได้เลือกให้เราเช่นพ่อแม่อยากแค่ให้เราบวช ถ้าเราไม่ยอมบวชสอย่างเขาจะทำอย่างไรได้ในทางตรงข้ามถ้าเราอยากจะบวชแต่เขาไม่อยากจะให้เราบวชเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้อย่างเช่นพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าไม่อยากให้พระพุทธเจ้าบวชแต่พระพุทธเจ้าจะบวชสักอยางจะทำอย่างไรนะจะไปห้ามได้อย่างไรวิสาสร้างรสาไว้ทั้งสามจะดูยามไม่ให้ออกไปเที่ยว ภายนา อ, อกประสานะพระราชวันตพรกลัวจะไปเห็นความแก่ความเจ็บความตายกลัวจะไปเห็นนักบวชนอกจะททำให้พระองค์มีเชื้อมีสิ่งที่จะมากับตุ้นเชื้อที่มีอยู่ในจิตใจของพระองค์นะั้นให้ลุกขึ้นมาเพื่อบุญบาลมีที่ได้ทงบ่งเผไว้เปรียบเหมือนกับเชื้อไฟ ที่จะเผาผลาญกิเลสต่างๆให้หมดไปจากกิจจากใจแต่ทางประกายไฟที่จะจุดให้เชื้อนั้นลุกขึ้นมาประกายไฟนี้ก็คืออริยสัจสี่นสัจจะทำข้อแรกก็คือทุกข์นี้เองต้ว่าตบิดาจึงพยายามพร้อมร้องพระเจ้าชายสิทธถะด้วยความสุขไม่ให้เห็นความทุกข์คือความแก่ความเจ็บ ค, ค, ค, ความตาย กาทาจากกันกลัวว่าจะเป็นเชื้อกลัวว่าจะเป็นเอ่อเป็นชนวนหรือเป็นตัวที่จะไปสร้างให้เกิดไฟจุดเชื้อให้ลุกขึ้นมาเพื่อเผาผลาญกิเลความโลภความโกรธความหลงต่างๆ แ, แต่จะห้ามยางไรเมื่อมันถึนเงเวลาก็ห้ามไม่อยู่เพราะองค์ก็ทรงเล็ดลอดออกไปพอผานนอกพระราชาวัง ก็ไปเห็นสิ่งต่างเหล่านั้นขึ้นมาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็รู้ว่าตัวนเองจะต้องแก่จะต้องเจ็บต้องตายเห็นนักบวชก็รู้ว่าเป็นทางที่จะฝไปสู่การหลุดพนจากการแก่การเจ็บการตายจากการเกิดเมื่อเห็นดยงนั้นแล้วก็ต้องไปทางนั้นทางเดียว เพราะทางอื่นมันไม่ได้เป็นทางออกทางอื่นนั่นเป็นทางที่จะเท่าสู่งองทุกข์ถ้าอยู่ในประสาราชวางังเราไปทำสงครามได้กลายเป็นพระมหาจากักรพรรดิก็สร้างความทุกข์ให้มากขึ้นอยู่สายในใจเพราะจะต้องระมัดระวงังต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครมาตุงประชนมามายึดอำนาจหรือไม่เราล้มล้าง ภราชวานลังหรือไม่นี่เป็นเป็นเรื่องของความถุกแต่พอออกบวชถึงแม้จะทุกแบบขอทานแต่มันม็นชุกเพงภายนอกจึงจากจากเยู่จากการอยู่ในวังแล้วต้องไปอยู่แบบขอทานเรื่องการคินอยู่หลับนอนนี่ก็คงจะไม่ต้องพูดถึงก็คงจะนึกภาพบอกว่าคนที่อยู่ในวังกับคนที่อยู่แบบขอทานนะกินอยู่กันแบบนึนมันก็เหมือนกับนวรกกับสลอน แต่มันก็ไม่รุนแงเท่ากับนรกสวรรค์ที่มีอยู่ในใจคนที่อยู่ในใจนั้นอาจจะอยู่สวรรค์ทางกายแต่ตกนรกทางใจเพราะใจมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังลลมีแต่ความความขวงใยยความหวาดระแวงแต่างๆแต่คนที่ตกนรกทางกายคืออยู่แบบเปิดยาคาบแขง แต่กลับอยู่บนสวรรค์ทางใจใจนี้สบายไม่ ก, งกังวลทำอะไรทั้งสิ่งถ้าอยากจะเอาอะไรก็ออกไปก็มีแค่ผ้าที่คงมที่ที่นุ่งอยู่ทั้งนี้สมบัติเงื่อนก็ไม่มีอะไรบ้านก็ไม่มีอยู่อยู่ตามคงว่าอยู่ตามท่านตามเนื่องถาอยู่ที่ไม่มีใครอยากจะไปอยู่แล้วขโมยก็ไม่อยากจะไปเพราะมันไปแล้วมันไม่ได้อะไร ช่วยอยู่ในวังไม่ได้ขนะโมยชอบเข้าวนะัเพราะมีสมบัติเี่ยมีข้าวของเือเนี่ยก็สง่งส่งจ ร, รจจะจ้าสมบัติเพราะบุญบามีที่พระองค์ได้ส่งบงเพ็ญว้นั้นมันได้รับชื่อแล้วริ่มมีชื่อเริ่ ม, ม, เ, ร เ, รมเริ่มได้รับประการไฟมันเริ่มชื่อเริ่มติดละไฟเริ่ ม, มเริ่มเริ่มไหม่ละกิเลสเริ่มถูกทําลายละทีนี้ มันก็ไม่ไปเรื่อยๆจนในที่สุดหลังจากหกปีที่ได้สงดออนน่งกิเลนออกกระหน่วยเชื้อของกิเลสคน้านก็ถูกทำลายไปเมื่อหมดแล้วาฟเห็นสัญญาก็ดับไปเช่นเดียวกันไม่จะมีความเพราะไม่มีอะไรที่จะให้ทำลายอีกต่อไปเหมือนกับยาที่รับประทานเข้าไปจนหายจากโรคภายใต้เกล ยาได้ทำลายเชื่อโลกหมดแล้วแต่กินยาเข้าไปก็ไม่เกิดประโยน์อะไรไม่รู้จะไปค่าอะไรไม่มีเชื้อโลกให้ฆ่าแล้วปัญญาก็มีไว้เพื่อที่จะทำลานเกี่ยวันเนั้นคือความหลงต่างๆเมื่อความหลงต่างๆถูกทำลายเปหมดแล้วปัญญาที่เป็นเครื่องมืออันยิ่งก็เวลาที่หยุดทางานได้นีม่มายถึงปัญญาที่ใช้ในการ ทำลายกิเลสความโลภความโกรธความหลงเพื่อบรักผมนิพพานแต่หลังจากนั้นเมื่อยังมีสังขารร่างกายอยู่มีขันอยู่ครบอยู่คือขันห้ามีความคิดปูนแต่งอยู่ยังมีต้องยังต้องสัมผัสกับสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆก็ยังต้องใช้ปัญญาอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นปัญญาแบบที่จะเอาไปทาลายกิเลส แจะเป็นปัญญาที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานต่างๆที่มาเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันเป็นไปในทางเห็นทางคนแต่ไม่ได้เป็นปัญญาที่ที่จะต้องเอาไปใช้ในการกำจัด ก, กิเลสเพราะไม่มีกิเลสให้กำจัดแล้วแล้วถ้าอยู่ชื่นชมคนเดียวไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ต้องมีปัญญาเลอก็แลัว ไม่ต้องคิดอะไรใช่ไห้นั่งเฉยๆมองอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินค็ได้ไม่จําเป็นจะต้องไปวิเคราะห์ด้วยตัวเองว่าเปงนเสียงอะไรเป็นรูปอะไรเป็นไทยอะไรมาจากไหนไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้อยู่เฉยๆไปวันๆนจิตใจไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลไม่ต้องห่วไม่ต้องอยากติดต่ออะไรมีความสุขมีความอิ่มทอน ตลอดเวลาไม่มีวันเสื่อมคลายเป็นเหมือนน้าที่เต็มแก้วอยู่ตลอดเวลาไม่มีท่องแต่เติมก็้าไปมากเพียงไรก็ไม่เกิดประโยชนย์อะไรไม่ได้ทําให้แก้วนั้นโตขึ้นใหญ่ขึ้นเพื่อจะรับน้ําได้มากขึ้นไม่เหมืนกับลูกโป่งลูกโปงนี้ถ้าสายน้ําเข้าไปได้ก็รักเข้าไปได้แล้วก็ปส่งออกมาได้ก็ ไ, ได้น้ํามากขึ้นแต่ใจที่ เป็นเปลี่ยนแล้วการที่ถึงขั้นนิพพานแล้วมันไม่สามารถรับความสุขข้อนไปมากกว่าที่มีได้วมันเป็นพกจักรของมันแล้วดังนั้นจิตของนักหัวก็จบสิ้นลงอย่างที่มักจะมีมีทานกล่าวขึ้นว่าอุชิทางบรมจะียางจิในธรรมจารนี้ได้ถึงที่สสุดแล้วจิตอื่นนั่นมี อื่นที่จะตามมาไมา่มีอีกแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วนอนจะกินอย่างเดียวรอมันตายไปเท่านั้นเองแต่เนื่องจากความเมตตาเห็นผู้อื่นเท้อยังทุกขอยู่เราได้หลุดพ้นจากทุกข์แล้วคือเหมือ น, นกับคนที่รูนจากวทธีแหกคุกออกมาเราเห็นเพื่อนที่อยู่ในคุกก็สงสารอยากย้ายท้องได้ ออกมาบ้างว่าจะไปบอกเขาสอนวิธีออกมาจากคุกเหตุที่เขาว่าเขาจะอยากจะออกมาแต่บางบางคนก็ชอบติดคุกที่เกียดไม่ชอบตินกำแพงไม่ชอบขุดหลุมขุดขุดอุโมง ล, ลอดใต้กาแพงออกมาที่เกียดขออยู่ในคุกดี่มากินข้าวของคนคุกนอนแบบคนคุกก็มีความสุขพอใจอ ย, อย่างนั้นก็ไม่มีทางที่จะไปห้ามได้ นี่ก็คือทางเลือกของแล้วเมื่อก่อนนี้ไม so ่ไม่มีทางเลือกจะต้องอยู่ในทุกอย่างเดียวเพราะไมรู้จักวิธีซึ่งจะเลื่อนลอดออกมาจากคุกได้แต่หลังจากที่มีคนหนึ่งเลื่อนอดออกมาได้นะเขาก็กลับส่งสารกลับไปบอกว่านี่วิธีที่จะเลื่อนอดมาทําอย่างนี้ทาอย่างนี้ถ้าอยากจะออกจากคุกก็ทําตามนี้เดี๋ยวก็ได้ออกจากคุกง่ายเลยแต่ถ้าอยากจะอยู่ในคุกก็ไม่ว่าอะไรแต่อย่างน้อย กะได้ทาหน้าที่ของผู้ที่ได้เล่นลอหล อ, อกมาแล้วคือได้บอกช่องให้แล้วชี้โครงให้แล้วจะไปหรือไม่ก็สุดแท้แต่พวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเราโชคดีที่ได้มาเกิดในสมัยที่มีพระพุทธศาสนามีผู้ชี้โครงให้กับเราชี้ทางให้กับเราสู่การหลุดพ้นสื่อความสุขในยอดอันตรเสริจอยู่ที่แล้วเราจะเอาหรือไม่เท่นั้นเองเราจะเลือกทางไหน เราจะเอาความสุขแบบสุ ข, ส ข, สขดิบๆหรือจะเอาความสุขแบบถาวรไม่มีไม่มีความดิบ ม, มีแต่ความสุขตลอดเวลาคือไม่มีความทุกข์เยื่อปอยู่กับความสุขของพระนิพพานเลยก็อยู่ที่ตัวเราถ้าเราอยากจะไปทางนี้เราก็ต้องพยายามฝังศรัทธาสร้างวิริยะสร้างสันทะสันท ะ, ะ, ะ, ะวิริยะจิตตวินลังสา ให้เกิดขึ้นมาในใจเมื่อเรามีอกที่บาทีในใจแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะได้บรรลุถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บรรลุถึงอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความย่ำแน่นต่อการเข้าหาพระศาสนาด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฟังเทศน์ฟังธรรม การทำดังมา ก, การรักษาเสีนงหรือการภาวนาขอให้ท่านพยายามทำอยไปเรื่อยๆทาให้มากยิ่งขึ้นแล้วรับรองได้ว่าสัาวันนึ่งท่านก็นจะได้ลิลดลดลิดลดขนของการปฏิบัติที่เป็นลดอนิเสธอย่างนี้อย่างยิ่ง น, นี้ได้อย่างแน่นอนเพีงขอวิุติการแสดงว่าใจไทย บอกว่าพยายามนาวทมนตย่าที่ทาอาจารย์อกคใช้เวลานานแล้แต่ว่าผ่านลกปวดชั่วโมงที่ทำออกไปได้แต่ว่าเออเนื่องจากว่าหลังจากที่ทอพอมันผ่านไปแล้วมันจะปวดที่หัวมากเอ่อควรจะทาต่อไปอย่างค่บอกว่าเกิดปวดหัวจัดถ้าปวดหัวนี่สแสดงว่ามนเขาจะเสี ย, ยติยดกับก า, าราปฏิมัต์มันไม่ได้ มันคงยังม like like ีลึกๆยังอยากจะให้ความทุกน์ยัหายไปอยากให้เรื่องในหายไปมันก็จะทาให้เกิดความเครียดกดตัวขึ้นมได้ถ้ามันถ้ามัหายไปโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่กระยับมันเราจะเบาเราจะโล่งเราจะสบายเราจะไม่รู้สึวดเัวปวดศีรษะปวดอะไรก็ปวนอกจากที่หน้าจันก็อาจจะเรา คนก็คนอยู่แตในขณะเดียวกันก็อยากจะให้มันหาแล้วมันยังไม่หายตามที่เราต้องการมันก็ทําให้เราเกิดความเครียดขึ้นเอกการปวคขามันหายไหมคะใช่โธรรมชาติมันนั่งไปจักรยานึี่มันก็จะหายของมันไปเองธรรมชาติจะใหานของเนี้ยถาตายด้วยธนามันตื่นมันนั่งแล้วมันชาปล่อยให้มันชาไปทักทักเห็นมันก็หายแต่อเรื่องทางการนี้เราไม่ได้ถือเป็นประเด็นสําคัญ เราถือเรื่องายเป็นประเด็นสำคัญว่าาจเป็นอุเบกขาจริงๆได้หรือเปล่าคือเมื่อกระหยาดมันหายได้หรือเปล่าถ้ามันยังเล็กมันยังหยาดอยู่เห็นว่าพอมันหาไปแล้วแต่ใจยังมีความอยากความอยางนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดอวามเรียรขึ้นมาได้เมื่อมีความเรียรมันก็ทาให้เกิดอาการปวดชีดขึ้นมาได้ ก็พยายมอยากพยายามให้นะครับอยากให้มีสไปการ ต, ตามเมื่ของมันอยากไปสนใจมันอยากเราใช้อุปทาเราใช้อุบายของสมาธิเราก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอยากให้ความสนใจในขณะที่เราทำทําแล้วมันเจ็บปวเนี้ยเราก็อยากไปสนใจกับอาการเจ็บปวดแล้วก็ตั้งใจฟังไปเรื่อยๆ ถ้าเดี๋ยวความเก็บตัวนั่นเป็นเมืองนามที่มันจะหายมนกะหายของมันตเองแต่ใจของเรายังสงบยังเป็นสมาธิยังเป็นอุนเบกขาอยู่เป้าหมายของของการปฏิบัตินี้ไม่ได้ต้องการที่จะไปควบคุมบังคับเลทน า, งงาทางกายต้องให้มันเป็นไปตามเมื่องของมัน จะช้าจะเร็วจะนานไม่นานนี้ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันเป้าหมายของการปฏิบัติคืออุตรขาทางใจในต้องวางเฉยใจต้องไม่มีอารมณ์กับมันมันจะเป็นอย่างไรก็ให้มันเตินไปญ่ฉันจะสอนอุบายสองลักษณะอุบายแห่งสมาธิคืออยากไปสนใจให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือให้สวดมนหรือทำอะไรที่เราทำอยู่ก่อนแล้ว เมา่เราสวดมนม์แล้วก็สวดมนต์ไปเรืยๆมันจะเจ็บถ้าวดนี้ก็ปล่อยมันเ็บนวดไปหรือเราพอลงความเทศทางทารีกมันจะเจ็ก็เจ็นี่มันก็เป็นอุบายของอุบายการที่สอนเลิกเะ็บโดยอธิการแสดงธรรมแล้วไม่มีการขยับร่างกายตรงนี้จะเจ็บตะโกนอลไรครับพยายามเล่าฟังอาใจให้มันมันตอยู่กับการฟงก็ใจจะได้เป็นูกหลุดขาจะได้ใจนั่งนิ่งเฉยจะได้ปล่อยวาง เวท น, นาทางกายได้แล้วมันก็ผ่านไปได้ทำแบบคนที่นั่งสมาธิเองไม่เปลี่ยนเยอะๆตอนทเทสทำทำแล้วนั่งอในเรียบทั้งวันตอนที่ไม่เปลี่ยนจนกว่าที่ท่านจะยุติการแสดงก็จะเป็นการฝึกทำสมาธิฝึกฝึกทำจิตให้เป็นอุปเลยขาได้วิธีสมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านเรียกเทสทุกสี่ห้าวันเนี่ยก็มีครบ ถ้าอยู่ตามลําพาังอาจจะไม่นั่งนั่งได้เดี๋ยวเดียวพอมันเจ็บก็จะเปลี่ยนอิริยาบถพอท้างไปฟังเทศฟังธรรมนี้ท่านเทศไปชั่วโมงก็ต้องนั่งไปเพิ่งกวาท่านจะหยุดเพราะท่านไม่ขยับเราก็ไม่ขยับเหมือนกันท่านเทศเรากฟังท่านเทศท่านก็เพลินอยู่กับการเทศของท่านท่านก็เจ็บเหมือนเราแต่แต่ใจของท่านไม่ได้อยู่กับความเจ็บ่จ้องท่านอยู่กับการแสดงธรรมมันก็เลยไม่รู้สึกเจ็บ เราถ้าอยู่กับการฟังถ้ามีสมาธิอยู่ ก, การฟังเราก็จะไม่รู้สึกเจ็บนั้นเจ็บแต่เราไม่รู้สึกเจ็บเพราะเราไม่ไปให้ความสําคัญกับมันทีนี้ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องมีอะไรเกาะแทนเสียงฟังเสียงธรรมที่เราฟังอยู่เราก็ต้องสร้างเสียงธรรมขึ้นมาภาในใจด้วยการสวดมนต์ก็ดีด้วยการบริกรรมพุทโธก็ดีและด้วยการดูลมหายใจเข้าออกก็ก็ให้มันเกาะติดอยู่ครับกรรมฐาน นั้นแล้วความเจ็บัวทางร่างกายเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองใจก็ยังเป็นอุเปคขาหรือถ้าใจมันเห็นโทษลึกๆว่ามันําลังนี้ถึงแม้ยังจะสวดอยู่ยังมีใจที่เกาะติดอยู่กับการสวดก็ดีหรือการบริการก็ดีแต่ลึกๆยังเห็นว่ายังอยากจะให้มันหายอยู่พอมันเห็นแล้วมันเห็นโทษของมันแล้วมันเปลี่ยนใจได้ถึงว่าไม่ต้องหาย อยู่ก็อยู่ไปพออย่างนั้นใจมันจะดิ่งลงสูนน่ความสงบได้เพราะมันปล่อยวางความอยากที่อยากจนะให้มันหายถ้ามันเป็นอย่างนั้นจะเห็นว่าใจนี้เบาโล่งขึ้นเลยมันจะเป็นอุเบกขาที่ลึกกว่าที่ในขณะที่เรากำลังบริกรรมอยู่หรือกำลังเสื่อมอยู่มันรู้มันเห็นแล้วว่าออกปล่อยได้จริงๆถ้าปล่อยอย่างนั้นแนละ้วใจมันจะโล่งใจจะเบา มันไม่เครียดกับอะไรนะสนมันจะมีความสุมากนี่เป็นอุบายทางสมาธิหรือถ้าเป็นคนที่ชอบพิจารณาทางด้านปัญญาก็ใช้อุบายแห่งปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายก็ดีเวทนานก็ดีใจก็ดีก็รู้ตึงสภาวะธรรมต่างกันมีหน้าที่ต่างกันร่างกายก็เป็นเหมือนกับ วัตถุเช่นเหมือนกับเสาเหมือนกับไม้ที่เรานั่งอยู่ไม่ต่างกันเป็นวัตถุกระดูกนี่มันก็เหมือนกับไม้เวลาคนตายไปแล้วหรือศัตรีาตายไปแล้วถ้เาเอาไปเอากระดูกไปต้มในหม้อไม่เห็นมันจะรู้สึเกเจ็บปวดตายอย่างไรนะ เ, เรากินก๋วยเตี๋ยวนี่เราว่ามีกระดูกมูกระดูกอะไรต้มให้เรากินอยู่มันก็เป็นเพียงแค่วัตถุเั่านั้นเองร่างกายของเรามันก็เป็นวัตถุเหมือนกัน แต่ว่ามีจใจมาสัมผัสก็เลยทําให้มีความรับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากสุขมาเป็นทุกข์จากทุกข์ไปเป็นไม่สุขไปทุกข์นั้นก็วนเวียนไปอย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นสภาวะทามที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้เขาก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของทาง นั้นเราก็ต้องปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาตายเราก็ต้องปล่อยไปตามเรื่องของเขาตายก็ปล่อยให้เขานั่งไปเรท่นนาจะเป็นอย่างไรชนิดใดก็ปล่อยให้เขาเป็นป่อยสนใจผู้รู้ก็ให้รู้เฉยๆอยากไปรู้ด้วยกิเลสดเดื่อดแล้วเกิดความอยากรารู้แล้วเกิดความอยากมันก็จะเป็นสมุทัยแต่ความทุกข์ขึ้นมาในใจซึ่งเป็นความทุกข์ที่รุนแรงกว่า ทุกของเวทนาทางกายเป็นร้อยเท่าถ้ามีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากแล้วจะทนนั่งอยู่ไม่ได้แต่ถ้าสามารถกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากความไม่ให้มันเกิดขึ้นได้หรือสามารถทําให้มันดับไปได้แล้วใจจะไม่มวุ่นวายครับการเป็นไฟของกายและของเวทนาใจจะแยกออกได้ปว่อยวางได้ถ้าปล่อยวางได้ ท่านแสดงแล้วว่ามีสองลักษณะคือจิตเมันจะเดิ่งลงไปแล้วปล่อยทั้งกายทั้งเวทนาคือหายไปจากความรู้ในจิตจิตเนื้อเนื้อแต่สักแต่ว่ามัอยูตามนิพพนของมันเลยไม่รับรู้เรื่องของกายเรื่องเวทนาเหมือนกับหมอฉีดยาชาให้เวลาที่จะผ่าตัดผ่าตรงไหนพอฉีดยาเข้าไปแล้วท่านหมอฟันอะไรจะถอนฟัน หมอฉีดยาชาเข้าไปแล้วพอตอนที่หมอถอนฟันมันไม่รู้สึกอะไรแต่เนื่องเขาต้องใช้ใช้ทางทางยามาช่วยแต่เราใช้ธรรมโอสถมาช่วยคือใช้วิปัสสนาเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นแล้มันมีอยู่กับเราตลอดไม่ต้องไปคอยหายาไม่ต้องคอยร่งไปหาหมอฟันไปหาหมอมาช่วยฉีดยาชาให้กับเราเพราะเราสามารถ ใชา้ ย, ยาที่มีอยู่ในใจเราคือธรรมโอษฐนเลยนี่คือวิธีหนึ่งที่ศีกจะปล่อยวางจะปรากฏเป็นอย่างนั้นอีกวิธีหนึ่งก็คือเวตนาก็ไม่หายกายก็ยังรม้อยู่ใจก็ยังรับรู้อยู่ยยแต่ใจไม่วุ่นวายใจเฉยต่างฝ่ายต่างดูกันไปไม่ได้ีอาการอยากจะให้เขาไปไม่อยากจะให้เขาอยู่อยู่ก็อยู่ไป ตางฝ่ายต่างหมู่คนไปไม่เบียดเบียนกันไม่กระทบกันนี่ก็เป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อุบายแห่งยุทธศาสตร์หรือปัญญานี่คือวิธีที่จะข้าวข้ามยุทธนาทุกความปัญญาทางกายได <c oughs> อธิษฐานก็ได้ม่อธิษฐานก็ได้แต่ความจริงถ้าเข้าใจคำว่าอธิษฐานแล้วก็คงไม่ถามคำถามนี้เพราะคำว่าอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องมีความตั้งใจก่อนอยากจะเป็นสอสอก็ต้องมีความตั้งใจจงสอนสอก่อนถึงจะไปหาเสียงได้อยากจะมาว่าก็ต้องมีความตั้งใจก่อนแต่คาว่าอธิษฐานของเราที่ถามนี่คงจะหมายถึงว่าขอพร และภาวนาขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาอันนี้ขอให้จนวนตายก็ไม่ได้ถ้าถ้าทุตฐานจะทาขอแต่ถ้าทุตฐานเป็นการสร้างใจก็จำเป็นจะต้องมีในทุกกรณีแม้กระทั่งไปทำบาป ก, ก็ต้องมีอธิษฐานเหมือนกันถ้าจะไปป้นธนาคารัก็ต้องวางแผนไว้ก่อน แต่พ้นแบงค์ชาติยังไงเลยเียนเปี่ยนพรบเปียนพรบนันเป็นการพ้นชาติโดยที่ไม่ต้องใช้ปืนพ้นแบงค์ชาติโดยไม่ต้องใช้ปืนทุกท่านตอนจนท่านอาพูดถึงว่าคนสมัครพธการณที่ฟังธรรมจาบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะาก็สามารถทังธรรมได้เนี่ย ผ่านมาสองพันกว่าปีที่คงบุคคลเหล่านี่คงไม่มีในในโลกนี้แล้วนี้รับนีก็คนที่กำลังเป็นบารมีก็มีมาเกิดอยู่ด้วยนยๆคนที่เพียงแต่ว่าอาจจะมีน <Dynam hose> <combo> like ้อยหรือมีแล้วไม่ปรากฏให้เราได้รู้เห็นแก่เราเ่จะมีท่าปฏิบัติธรรมมาสอนพวกเราอยู่เรื่อยๆเพียงแต่วาคนที่เขามีบารมีก็ไม่ใช่คนตากโก้ มันโมตนานจริงๆแล้วสภาวะนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับอุบาจารย์เราแต่ว่าท่านไม่พูดทันนั้นเองเรื่อกับพวกเราบางคนในนี้ก็ได้ใจจะเด้รู้แต่เพิ่งได้เหมือนจะยิ้มมากยิ้มเงียบมากคือได้สังเกตตัวเองกับหมู่คณะที่เคยไปฟังธรรมเนี่ยอย่างเก่งก็คือคือได้ฟังธรรมคาที่ขมของท่านอาจารย์แล้วก็ เกิดความพื้นปิติยินดีกายมาเย็นชำ่ำน้ำตาจะไหลภาคมาลักษณะนี้ก็คือแค่แค่ปิติที่เกิดธรรมดาแค่นั้นมันเป็นอารมณ์ที่ปรากฏแค่นในขณะที่ได้สัมผัสธรรมมันก็เป็นเชื้อเป็นหนังตัวอย่างทำให้เราเกิด มีกำลังใจที่จะยามเสียเงินไปซื้อแผ่นมาดูอีกแผ่นก็ดูหนังเรื่องนี้เอติดต่อมาเป็นเวลาสองสมปีแล้วอยากที่จะทำให้เรามีมีฐานะวิริยะที่จะทําบุญมากขึ้นมีเงินว่าเท่าไหร่ก็อยากจะนํามาไปทําุญอยากจะรักษาศีลให้มากขึ้นอยากจะภาวนาให้มากขึ้น เพราะไม่ได้สัมผัสกับความิเศษณะนี้แล้วมันมันมหักประจใจมันไม่ได้มันไม่มีเกิดขึ้นจักจากการสัมผัสที่อย่งนแต่มันเกิดจากการได้สัมผัสรถแห่งธรรมอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัว่ารถเห็นธรรมชนะรถทั้งฝวงนี่แหละคือความปฏิฐานทราบใช้ไหมจง นี่ในขณะที่เราได้ทําความดีบางอย่างที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะทํามา ก, ก่อนได้เี่นเสียสละอะไรไปเสียสละสิ่งที่เรารักไปเพื่อให้คนอื่นก็มีความสุข <Yeah. S 1> ถ้าทําอย่างนั้นแล้วจิตใจจะมีความสุขมีความต่อเนื่อง mm ่นบางทีช่วยเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ก็ได้โดยแทนที่จะไปเที่ยวก็เอาไม้ตาละจะอยู่ยุ่งฝ่าคุณพ่อคุนแม่ มันก็มีความปิดตุมีความเสุขใจมีความจุใจยังมีกาบการสั่นสะเทือนสายท่าเช่นกันสิ่งแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องเทฉะนั้นกิเลสพอเรายังอยู่ในอิทธิพลของกิเลสอยู่พอมีอย่างอื่นมาเล่าที่มันแรงกว่ามันท้าทายกว่ามันงึงก็ไปเหมือนกัน ความรู้สึกว่าปฏิบัติเข้าวปฏิบัข้าแล้วมันก็จะอยู่ตรงจุดที่ว่าสู้กับเวทนาอยู่อย่างเนี้ยฮะสู้กันไปสู้กันไปอย่างนันแล้วก็แพ้บ้างชนะบ้างตามอย่างเช่นเราต้องเข้าใจมันหรือเราต้องอยากไปสนใจมันพราะเราไม่ช่วยมันไม่ได้เราต้องปล่อยให้มันจบไปตามเรื่องของมันเฮียขำว่าสู้นี่หมายถึงว่าอยากจะให้มันหาย คือใช้ขันติสู้กับมันนะฮะแต่ว่าจะคงขาดปัญญาที่จะไปใช้กับมันไปอดทนได้ใช้มันทนไม่ได้ข น, นาหลังที่เราทนอยู่นั่นกิเลส ม, มันไม่หยุดกิเลสมันมนิดนิมันอยากได้หาแล้เราต้องเอาเอาใจมาทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งมาบริกรรมพุทโธมาวดมันเพื่อไม่ให้มันมีมีเวลาที่จะไปคิดอยากได้หา เลเมื่อเช่นนั้นก็ต้ออามาแยกแยกปิดเทียมแยกกายแยกนิพพานแยกใจให้ออกเป็นสาส่วนให้เห็นว่าสั่งสายมีหน้าที่อย่างไรสั่งายเขาเป็นอย่างไรแล้วก่อนที่เขาเป็นสายตามความจริงของเขาเป็นร่างการนี้เหมือนกับสาราเราก็ปล่อยร่างการนี้เหมือนกับเราปล่อยสาลาสารานี้เราไม่ต้องกังวลเขารัจะออกฝนจะตกอะไรเราก็ไม่ได้ไปอะไรเขา่อนเขาไป รากายนี้เมื่อนั่งอยู่เฉยๆดีอยู่นะไม่มีปัญหาอะไรเทกอดตองนั่งไปเทศนาเพองจะแสดงอาการอย่างไรก็ป่อยให้มนแสดงไปใจมีหน้าที่รู้ก็รู้อย่างเดียวอยางจะียกให้มันเป็นอย่างนี้นะห้มันเป็นอย่างนี้จะทำอย่างนี้ได้ไหมก็ไม่มีเวลาที่จะมาติดยา หรือบางทีถ้ามันอยากมาถามว่าแล้วขณะที่มันเป็นขนาดนี้มันจะตายนี่ไงก็รับรู้มันได้นี่ใช่มันเจ็บมันตัวขนาดนั้นขนาดนี้ก็ยังรับรู้มันได้เมื่อเรารับรู้มันได้แล้วทำไมเราล็อกจเราจะรับรู้ต่อไปไม่ได้ก็ผ่อนไปมันมันอยู่ที่เรากิเลสมันไม่อยากอยารับรู้ทันหนึ่งมันอยากอย่าให้มันหายไปมันอยากจะหนีพ้นจากมันไปแต่ตัวนี้ที่เราจะต้องกำจัดมัน เป็นนาทีก็ต้องย้อนเจ็บมันก็คือเมื่อมันไม่อยากเราก็ฝึกอยากมันดูบอกให้มันเจ็บตอนนี้หน่อยสิเพิ่มได้อีกหน่ิแค่นี้ยังไม่พออ่ะเจ็บนิดหน่อยเจ็บให้มันมีอะไรทําะไรเงี้ยมันจะได้มันจะได้ไม่กลัวไม่กลัวแล้วมันก็จะไม่เกิดความอยากที่จะให้มันหายไปเลยอยากจะหนีจากมันไปคือ พร้อมที่จะตปพร้อมที่จะให้มันเป็นเป็นมนากขนานี้ก็ได้เป็นน้อยขนานี้ก็ได้เป็นอย่างไรก็ได้เป็นไปเถอะแต่นั้นไม่กลัวนะ้ฉันรู้แล้วว่าทารับเธอได้ทุกรูปแบบเลยมามาได้ขนาดไห น, นแบอบขนาดไหนไม่ไม่สามารถที่จะมาทําลายใจแล้ว ที่เล่หมันบอกว่าถ้าไม่ขยับเอย่าังเชื่อมไม่ไมีเรืนะใช <c oughs> ่ถ้าที่เล่ห์เราอย่าไปเชื่อมันเ็แต่เราเชื่อทํว่าเราต้องเราต้องตั้งใจฟังมากยิ่งขึ้ น, นแต่ว่าถ้าเราฟังไม่รู้เ ร, ออเรื่องนะนั่นเราจะผลิตทําด้วยมาภายในใารแทนไม่จำเลยฟังพุโทโธคําเดียวเลยโดยทํารตัดพุทโธให้มันกี่ลให้มันเกาะติอยู่พุโทโธไปเพราะบงทีมันมันไม่มีสมาธิที่จะฟังนะ เราก็สร้างธรรมะขึ้นมาภาในใจในขณะที่เรายัางนั่งอยู่ไม่ยากเ ร, เราทำไปเรื่อยๆทักครัง้งแล้วมันน้ำผ่านมาได้ทุกคนขอให้เราพยายามเท่า น, นั้นเองอย่าทําแล้วพอไม่ได้แล้วก็ไม่เอาแล้วเลิกละมันเลิกมัน ก, มน ก, มนก็มันก็ไม่คุ้นอยู่ด่ดีเพราะมันเป็นทางผ่านจะไปทางนี้เนี่ยมันจะต้องผ่านด่านนี้ทุกคน จะผ่านไม่ได้แค่นั้นเองเมื่อมาถึงแล้วก็มันเห็ก น, นิดเดียวนั่นเองพยายามดันลงไปดันลงไปเพื่อเือสองเรื่อมันก็ทะลุนะนี่ถ้าแต่ถ้าบทไม่เราไม่ผ่านเวทนาตรงนี้จิตยากที่จะรวมลงได้เลยใช่ไหมไม่ไดคือมันผ่านได้ดก็รวมแบบพุกโธพุกโธเนี่ยบางคนเขาไม่ผ่านเวทนาแต่เขาจะไม่ได้ปัญญาถ้าจาไม่ได้ เขาจะได้ทําขั้นเขาเรียกว่าสมาธิหรืยังถือว่าเป็นโลภียะทำดโดยสีต่างๆอาจารย์สมงพระพุทเจ้าเนี่เขาก็ได้สมาธิด้วยการแห่งหรือ ด, ด้วยการบริกรรมรกรรมฐานบทได้เหมือนเลยแล้วอาศัยขอให้สติมันมีความจบจ่อต่อเนื่องอยู่ต่อการบริกรรมติดแม้จะคิดเรื่องอื่นมันก็รวมลงได้แต่มันไม่เกิดปัญญา พอมันเจอวิทยาพักนั้นก็เป็นเหมือนกับอย่างที่โน้ตตาให้เล่าเหมืมาเจอเสือ <c oughs> <c oughs> มันกลัวไปหมดสั่งไปหมดเลยมันเป็นไม่ เ, มเบื่อไม่เบากับมันตลอดอแต่ถ้าใช้ปัญญาแล้วต่อไปมันหมามันจะกลายเป็นเสือขึ้นมาแล้วมันจะไม่กลัวต่อไปแล้วตอบมันก็ผ่านอริยรสัมปชัญญะความวาทุกข์ก็ได้ละ เพราะคนเราทุกคนกันมามันจะต้องเจ็บด้วยกันทุกคนต้องเจ็บค่าได้ปวดจะต้องเจยบกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เราหาแตะแหวนหาเครื่องอํานวยความสะดวกความสะดก็พราเราหนีความทุกข์กันทุกทางกายไม่ว่าจะเป็นพัดลมไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นทุบหนาหนานอนอะไรต่างๆนั้นมันเป็นการหรือความทุกข์กาย ถ้าเราไม่หนีมันทั้งอย่างนะเราก็ยู่ได้ไม่มีเครื่องควารักษาก็อยู่ได้ไม่มีเครื่องทําน้าร้อนก็อาบน้ําได้แต่มันหนามากๆ ก, ก็เอาผ้าชุบๆมาเช็ดตัวแทนไปได้ไม่จำเป็นจะต้องอาบนีนะ่เนี่ยเคยกางชำระเหมือนกันมันร้อนก็ฝอนมันร้อนอไปไม่ต้องมีเครื่องความราักษาแล้วก็หาใต้ถุนลมเย็นอยู่ใต้ถุนนะ มันจากหน้าร้อนนี่ชอบอยู่ใต้ถุนเลยแนมะ่แม่ก็เข้าไปอยู่ในป่าเพราะได้อยู่ที่ปุตินี่วัน้มันร้อนร้นอนมากนะฮะปกติที่ด้านจะเป็นสอง่ั่าจะจ ะ, จะยกเพว่อขึ้นมาหน่อยจนล่างนี่จาเป็นโล่งๆบางทีก็หาแค่ยัดทไวในนั้นร้นอนๆก็เข้าไปหดตายตาไปายถึงกุติ ใจเราถ้าสุดนั้นมันรับได้ดของพวกนี้มันไม่มมันไเหนือบาปอะไรเนี่ยพอเราผ่านทุกข์ก็ไปทำงานไปได้แล้วทีนี้ไม่กลัวเรื่องเจ็บป่วยไม่กลัวเรื่องความตายเพราะความตายก็คือความเจ็บป่วยก่อนจะตายนีนก็เจ็บปวดพ อ, อแล้วมันก็มีฐานใจไพอมันไม่กลัวความเจ็บป่วยแล้วมันก็ไม่กลัวความตาย มันต้องผ่านแา่นี้ไปมันถึงจะปล่อยวางกายได้อย่างเต็มที่ปล่อยางยึดติดในกายในส่วนของของแก่เจ็บตายนะแต่ส่วนของความสวยงามของการนี้ยังต้องพิจารณาอีกต้องพิจารณาสุภาพเพื่อปล่อยวางความหลงยินดีในรูปร่างรนาตาของคนไม่ว่าหญิงว่าชายว่าเป็นเพียงหนังหุ้มหอ่อ กระดูดพุ่มหออวัยวะต่างๆและมีสิ่งเป็นสิ่งปฏิกูลนี้ไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ได้รับการชำระก็จะส่งกลิ่นเหมนทั้งทั้งที่มีและทั้งทั้งที่ในขณะที่มีชีวิตอยู่และถ้าเวลาที่มันมีชีวิตอยู่มันส่งกล่นเหมือนอย่างยิ่งเงาเปิดลงไปพิจะน่า้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความ ดองเี่ยแล้วก็จะได้ไม่ไม่แสวงหาคู่มาเป็นคู่ของเพราะถึงแม้กรนาบจิตที่มีสมาธิมีมีธรรมอยู่แล้วแต่ถ้านยังไม่ได้พิจารณาอสุภะนี้พอเห็นดีไรมันก็เกิดความยินดีขึ้นมาได้ทันทีนี่เป็นขั้นๆนของการพิจารณากายถ้าพิจารณาผ่านปล่อยปอย ปล่อยความสวยงามได้เห็งวกาเปสุภะไม่สวยงามได้จิตก็จะหมดปัญหากับร่างกายโดยสิ้นเชิงต่อทํางนั้นเรื่องของร่างกายนี้ไม่มีอะไรจะให้ปิจน้ต่อไปจะมีแต่เรื่องที่ยังมีปรากฏขึ้นอยู่ภายในใจเป็นกิเลยที่ที่ละเอียดเ ร, รื่งความบินดีในความสงบเรื่องทีนว่าติดสมาธิติดตรงนี้ เพราะว่ามันสงบนั้นอาสิมันสงบมันอยู่เสียงนี้ก็มีความสุขไปแต่นานๆมันก็จะมีความสุขขกต์ต่อขึ้นมาเห็นในจิตใจแต่ไม่ไม่สังเกตก็ไม่นี้จนกว่าจะได้ยินได้ฟังเออเห็นว่ายัางมีงานต้องทำต่อคือยังใจยังมีมีอารมณ์ต่างๆ ที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจได้ก็ต้องออกมาพิจารณาเพื่อที่จะทาจักหนึ่งพอมาจากเมื่อก่อนนี้ติดสมาธิเมื่ยามพิจารณาพอมาพิจารณาเห็นคุณของการพิจารณาว่ามาจากความไม่สบายใจก็ติดใจและพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนไม่หยุดไม่ยอไม่ยอมพักผิดตัวกายเป็นความคุ้นชาขึ้น แต่นี้ท่านก็บอกเอาเลยเกิดกปัจจานาแล้วมัเกิดความทุกงการแล้วก็ให้สิดใาปัจจานะให้ให้กลับเข้ามาพักในความสงดพอติดสงบพักนัก้นเต็มที่มีความสงบแล้วก็จะมีพลังมีกําลังที่จะพิจารณาขุดกล้วยหากเกลือที่ละเอียดที่ซ่อนอยู่ใน ใ, นใจคือมานะความถิ่ตัวอริชา ทําให้รู้จริงของพ้าอริยะสัจจ์ก็ทําทอย่างนี้ไปสลบับไปสลอบมาระหว่างการคุดคุ้ยหาที่ลเอียดที่ละเอียดที่อยภายในจิตและกับการพักอยู่ในอยู่ในฌานก็เป็นรู ป, ปรชานหรืออรูประชานก็ดีแล้วก็ถอนออกมาแล้วก็พิจารณาต่อ จนกว่าจะสามารถทำลายมานณและอวิชช า, ใ ห, าให้หมดไปได้ให้มนแล้วก็ไม่มีอะไรหลงเหลือให้พิจารณาเพราะจะไม่มีอะไรสร้างความไม่สบายใจให้ต่อไปอ่าก็ต้องไม่ต้องักตานั้มันตลอดอ่าไมมันมันดูในใจเนี่ยเพราะในใจนี่มันจะมีการทำงานของพี่เล็กที่สร้าง ความรู้สึกต่างๆคิดว่าเราดีกับเขาสูงกว่าเขาต่ำกว่าเขาด้อยกว่าเขาพอด้ยกว่าเขาก็มีความน้อยน้อยเนื้อตาำใจแต่เราสูงกว่าเขาก็มีความรู้สึกที่ว่าคุม อ, อกคุมใจหลงระเริงในใจตรอันนี้ก็เป็นกิเลสทั้งนั้นเราพิจารณาให้เห็นชัดแล้วตัดมันไป แต่ละวิชาก็คือการยังไม่เห็นความสุดความทุกข์อันละเอียดที่มีซ่อนอยู่ในความสุดของใจในขณะนั้นเพราะใจในขณะนั้นมันมีความสุดมากมากเหมือนแต่ว่าไมเกี่ยวไม่มีความทุกข์หรูออะไรอยู่เลยแต่มันยังมีความทุกข์ที่มันเพราะความสุดนั้นมันยังมันยังมันยังเปลี่ยนได้มันยังหายไปได้มันมันยังเรามีความทุกข์ขึ้นมาแทนได้ แต่มันเป็นแบบที่มันละเอียดมากถ้าไม่สังเกต ด, ดูก็จะไม่เห็นแต่ถ้าใช้ปัญญาคอยพิจารณาดูอยู่เรื่อยๆตอนนี้ก็ส่ญญวนใหญ่ก็คงจะเป็นการเดินชมกลมพิจารณาอยู่เรือยดูอารมณ์ที่มันเปลี่ยนแปภายในใจเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจและปล่อยวางมันได้ okay. ในการพิน า, นารณาทํานี่ต้องพิจารณ์รูปที่แตกหมดเลยก่อนอนะครับพิงจะทำควบคู่ไปได้คือพิพจารณามันมีสองนะพิจารณาทางทฤษฎีก็คือเรานั่งดูเสมดเลยว่านาการนี้มันเกิดเจาเกิเยตายพิจารณา ม, มันมีสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เปลี่ยนตายเปลี่ยนมาสัางขารเราคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้วิญญาณก็รบับรู้ รูปเสียงกลิ่นวัสดุธาตุพระขึ้นมาสัมผัสแล้วก็หายไปแล้วก็ปรากฏขึ้นมาใหม่สลับกันไปเปลี่ยนไปอย่างนี้ถ้าเรานั่งคิดอย่างนี้ก็เป็นเชิงทฤษฎีแต่าในการปฏิบัติก็ขนาดที่มันเกิดขึ้นเลยพอเสียงมากระทบกับหูปั๊กมันก็จะเกิดลึทนาเกิดเกิดสัญญาแต่เสียงว่าเสียงนั่นคืออะไรดีหรือชั่วหน้าดีหรือหน้าหน้ารังเกียจ พอเสียงที่เขาชมเชยเราก็ยินดีก็สุขเวฒน า, าก็ปรากฏขึ้นมาพอเสียงที่ก็ด่าเราก็ก็หน้าไมห่หน้ายินดีแค่เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราต้องรู้ทันตรงนี้แล้วหยับมันให้ได้รู้ว่าห้ว่าเป็นศัลลาดเสียงเสียงเสียงศัลลาดเสีย ง, ยงยก็เสียงเสียงนินทานก็เสียงมันมีคุณค่าเท่ากันแต่ใจเราไปให้น้ำหนักต่างกัน ถ้าเสียงแต่งเสียงน้นใจดีออกดีใจถ้าดา่เสียงดูดาว่ากล่าวแเราออกเราเข้าใจเสียอเสียใจอันนี้มีการพิจารณานามขันในเชิงปฏิบัติวันนี้มันมีสองลักษณะนี้ถ้าสติปัญญาเราไม่ทันยังตอนนี้เราก็ต้องพิจารณาในเชิงทฤษฎีน์ไปก่อนพิจาาว่า น, นามขันมันมีหน้าที่ทําอย่างนี้อย่างนี้ มันเกิดมันดำแล้วมันก็หายไปเพื่อเพื่อเตรียมตัวไว้รับกับเหตุารจริงๆพอใครดา่าเราฟักเนี่ยต้องรีบทันนะทันดูที่เราจะทันนยด่าแล้วบ่าเออถ้าด่าแล้วดีใจนี่แสดงว่าทันด่าแล้วยิงยิ้มได้นะ <c oughs> เดี๋ยมันการมันการแข่งกันระหว่างี่เลสที่ทำเนี่ยเหมือนกับเป็นการดวลตัวกันของคนสองคนใทยเร็วกว่าไทยเนี่ยถ้าทำเร็วก่าก็ไม่ทุกถ้ากิเเร็กว่าก็นเราต้องพยายามเสวงการทาให้มีาด้วยการพิจารณาอยู่เรื่อยๆก่อนเช่นเวลาเราอยู่ในป่าเราเปนเด็กกลมเรอยู่คนเดียวมันไม่ดีมีแต่เสียงกสาแล้วก็พิจารณาเนี่เราลอนึกถึงตัวอย่างที่ คนที่มาเกลียดหน้าเราแล้วมันด่าเราเนี่ย ก, ก็สร้างเหมือนกับเป็นเหมือนกับตะลื้ออะไรอะโลกเสมือนจริงในใจเราสร้างมันขึ้นมาในใจเราะคนนี้พอเจอหน้าเขาก็ด่าเราเนี่ยมันเจอไทยที่เรากลัวมากๆเนี่ยแต่เดี๋ยวเพื่อเราทําใจให้ไม่กลัวได้ไ้ย เราทำใจได้เราตอบาทนสิ่งของจริงอยู่เพื่อมันจะไม่กลัวในที่เราสร้างภาพขึ้นมาในใจเราหรือเปล่าโดยมีการนั่งัวที่ซ้อมโจกกับทดสอบซ่าไปก่อนซ้อมโจกกับเทรนเนอร์ไปก่อนจอนจะสร้างพอเวลาก็าต้องขึ้นไปลองของจริงเดีเป็นนาทีถ้าทันก็ชนะก็ได้แทนแค่ถถึงขับถ้าแพ้ก็ต้องทับไปซ้อมใหม่ เรา้องขวนรวมแต่ทั้งทำไม่ต้องแขว น, นว ท, ท, วนทั้นแพ้ากิดครั้งไม่เป็นไรพพเพราะเพราะราชนะเพีงข้างเดือวราชนะไปตลอดแล้ว<ม>ไม่ต้องกลัวชนะแพ้แพ้ร้อยครัง้งแสนครั้งก็ไม่เป็นไรหวานนั<ม>้นแพ้แต่แพ้เราพากลให้เราได้บทเรียนว่าเร า, าพลาดตรงไหนเราเยังช้าอยู่ตรงไหนแล้วเรากลับมาเสริมส่วนนั้นให้มันเร็วขึ้นไหวขึ้นพอครั้งหน้าพอเจอมันตั้งทันมัตั้มาชนะมาเลย ชณะมันแล้มันก็จะชนะมันไปตลอดเน้นแพททางธรรมไม่ต้องไปทดแทนเพราะเราต้องการชนะเพียงครั้งเดียวทั่านั้นอจารย์ลูกสาวสามาค่ะดีรจะทำอะไอดีครับกับเรื่องอุบุณอาจารย์ ว่าเรื่องข้อมูลเนีเขาบอกว่าเออเป็นการเปิดโอกาสให้กับเออเปิดช่องอะฮะทำธุรกิจลรกรล่าผอีกับเรื่องพวอมี้อะค่ะก็แค่ค้าประกานค่ารัฐบาก็กลวว่าจะผิดสินี้สินี้เขาจะมีกฎหมายมาให้ยอมหลังกัเนี่ยแต่ความหมายว่าอุ้มบุญเนี่ยเป็นยงอุ้มท้องแทนอะอุ้มท้องแทนอุ้มท้องแทน ผมาจ้างรับจ้างกันแมีคนที่มีรูปยาแต่ก็อยากจะได้เอาชื่อของเขามาเพือนเรื่องของกิเลีมันเกิดมันดีไงถ้าอยากจะมีลูกนนึงก็เป็นชุบเป็นสร้างความเชื่อกับตัวเองนะเป็นเป็นการบ่าวไที่ว่ามันจะเป็นการทาันรู้ไรมันก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์สตวที่ตรงไหนไม่หก็เหมือนกับรับลูกมาเลี้ยงี่ อย่าเดิมบางนคนที่ต้องไปทํางานก็เอาลูกไปโรงเรียนที่เขาเลี้ยงโรงเรียนเลี้ยงเด็กโรงเรียนก็ไปรับกลับมานอันนี้ก็เอาลูกไปฝากวัยทองทขาให้เเรียนแทนถ้านั้นเองไม่ต่างอนไรนะมันก็เป็นเหมือนกับเป็นเลสซารีเป็นอาชีพเป็นการค้าขายหรือเป็นการทําเพื่ออาจจะ เป็นเป็นการทํำให้ทางก็ได้สําหรับคนที่เท้าเทาอาจจะเป็นพี่เป็นน้องกันน้องอยากจะได้หรือพี่อยกจะได้ลูกแล้วตั้งคันไม่ได้ก็รับหน้าที่เป็นผู้ตั้งคันให้แต่มันมกกักจะมีปัญหาตามมาเพราะความผูกพันพอมันอยู่ในเท้ามันพอออกมาแล้วมันจะไม่ยอมคืนให้เสมออย่า <c oughs> ปัญหามก็จะตามมาพอลูกออกมาแล้วก็ เข า, าไม่หน <te ีไปแลยเพราะเป็นลูกของชันแล้วเนี่ยมีกข้อหนึงนะเขาบอกว่าเออถ้าเด็กโตขึ้นมาเนี่ยคือพ่อแม่ปกปิดไว้นะว่านี่ไม่บอกความจริงว่าอุบุญมังแล้วพอเด็กเด็กก็โตขึ้นมาเขาก็ไม่ทราบนะคะว่าคือคนนี้คือเป็นแม่เขาแล้วเขาก็ไปตามแม่แม่คนนี้ไว้ได้จะเป็นการบังให้แบบที่เขาไม่รู้ค่ะถ้าไม่รู้ก็ไม่บังเพรไม่มีเจตนา ก็ไม่ทราบใช่แต่ถ้าเรู้มันถึงจะบาสรู้ว่าเป็นแม่อเนี้ยแล้วก็ไปไปไปกระทําการเมรคุณกับแม่อย่างเงี้ออยอย่างนี้ก็บาปแต่ถึงแม้ไม่ใช่เป็นแม่เราไปทําไม่ดีกับเขามันก็บาปเป็นกันเพียงแต่ว่ามันบาปเบาวกว่าการทํากับพ่อแม่เช่นอนันตริยกรรมเป็นบาปที่หนักที่สก็คือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ของเราเอง ฆ่าคนอื่นขึ้นเป็นมนุษย์เหมือนกันนี้ก็ไม่บาปท่าขับขานเท่าพอ่อเท่าแม่<ะ>แต่ถ้าไม่รู้ก็เหมือนแต่ว่าไม่ได้เป็นพ่อเป็ น, นีม่มันก็ไม่ได้เป็นอนันตาริยะกรรมเพราที่ว่าเป็นคนอื่นเพอาะเขาเพราะที่ว่า พ, พ่อแม่ของเขาเป็นอีกคนหนึ่งหรือแม่ของเขาเป็นอีกคนก็ไก็ไม่ถือว่าเป็นอนันตาริีะกรรมมันต้องมีเจตานา จะต้องรู้ว่าคนที่เราฆ่านี้เป็นใขรที่ถ้าเกิดอุบัติเหตุเธอเอาเปืนไปช็อต ไ, ไปล้างหรืออะไรแล้วยังมีลูกเปินค้างอยู่แล้วไปเหนี่ยวใครจะ ย, ยิงถูกท่อถงหแ้า่ตายตันนี้ก็ไม่ถึงว่าเป็นอนามตะวิกรรมมันเป็นอุบัติเหตุมันไม่ได้เกิดจากเหตุนาารม แต่อย่างที่ในนิทานที่ข้าแม่ก็เอาข้าไปส่งช้าไปหน่อย อ, อย่างนี้มันจะนานเท่าไพร่กรู้ว่าเป็นแม่เพียแต่โกรหแม่ที่แม่เอาอาหารมาส่งช้าไปหน่อยรือมากอาจารย์่เจ้าของไข่คนอ้มไข่เป็นคนไหนถึงไั้ พ่อแม่ไม่สําคัญนรอคือถ้าพูดตามหลักของสมมุตินิยมไทยเป็นเจ้าของถ่ายคนนั้นก็เป็นแม่ใช่ไหมแต่ในทางธรรมแล้วพ่อแม่ที่แท้จริงไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่พ่อแม่ทางร่างกายแต่พ่อแม่ทางใจที่ทำตรัสสอนว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีการเป็นที่อ่อเป็นอะไรเป็นให้กําเนิดเป็นเผ่าพันธ เป็นเป็น่ครื่องพื้นฐานทีพิกรรมนะครับคือการทําของเราทางกายวาจาใจด้วยทําดีหรือทำไม่ดีเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของเรามันทำไอ้ตัวที่ส่งให้เราไปอยู่ในทันของมนุษย์หรือของเดรัจฉานกปตกนรกหรือไปขึ้นสวรรค์นี่แหละพ่อแม่ที่แท้จริงของพวกเราคือพิกรรมสโดน พาะแม่ทางร่างกายนี้เป็นเพียงพ่อแม่ของของร่างกายนี้ไม่เป็นเหมือนกับรถยนต์คันนี้ที่ใจมาอาศัยร่างกายนี้เป็นเป็นพาหนะพาไปทาภารกษษษษิจต่างๆฉะนั้นมันจึงไม่ไม่สำคัญอะไรแต่ที่จริงที่เขาเวลาเข้ามาแล้วเราสับคู่กัน S 1> <S 1> <c oughs> เด็กคนหนึงไปอยู่กับในอครอบครัวหนึ่งเด็กคนหนึงไปอยู่กับในครอบครัวหนึ่งแล้วพอโตขึ้นแล้วมาเจอมารูท้ทีหลังว่าจะตกเป็นขา่าวก็ทําใจไม่ได้วันนี้จะทำยังไงเีื่อคิดว่าคนที่ได้อนนี่เป็นลูกของตนเด็กก็คิดว่าเป็นพ่อแม่ของตนก็ไม่อยากจะไปอยู่กับพ่อแม่จริงของตนเพราะมันไม่มีความรู้สึกความผูกพันต่อกันความรู้สึกความผูกพัน์นี้มันเกิดจากการที่ได้อยู่ใกล้ชิดกัน เป็นการเป็นการเกิดขึ้นจากประสบการณ์เชิงสามีภ ร, รรยาเมื่อก่อนไม่เคยอยู่ด้วยกันไม่พิจารณาก็ไม่มีกกมความเกิดความรันพอมาอยู่ร่วมกันนานๆเข้ามันก็มีความเกิทความการเป็นสามีภ ร, รรย า, าการเเดมันเป็นเรื่องของกิเลสเพราะงั้นเรื่อง อ, อกกุปร า, าถ้ามีปัญญานะมันก็จะไม่ ไม่มีความรู้สึกอย่างแล้วรู้เหมือนกันแต่มนมไม่มีน้ำหนักเท่ากับความรู้ใหม่ที่ได้เรียนรู้ว่าตัวจริงแท้จริงของเราก็คือใจและพ่อแม่ที่แท้จริงของเราก็คือกรรมอันนี้จะมีน้ำหนักมากกว่าความรู้สึกที่มีจากพ่อกับแม่ของเราแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไมกคุ้นความเขารพไม่ความถูกความอะไรๆมีความมีหน้าที่รับผิดชอบดีแล้วยังเดี๋ยวช่วยเหลือ ก, กันก็ยังมี เหมือนเดิมยักษ์เหมืนเดิม แ, แต่ถ้ารู้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นตั ว, ตวละครเขาแสดงเป็นพ่อเป็นแม่เราแสดงเป็นลูกในละครเรื่องนี้ในชาตินี้พอเขาตายจากเราไปเราตายจากเข า, า, เขาไปเราก็ไปเล่นละครเรื่องใหม่ก็ได้พ่อได้แม่คนใหม่ก็เล่นมาไม่รู้นับไม่ั่วนนะแต่ลังจําไม่ได้ แต่ถ้าเราไม่ทอดทิศนแล้วด้วยปัญญาแล้วนามแล้วพ่อจะแล้วความสุขพันแบบที่เขาเป็นอยมันก็จะหายไปความอิจฉาเยอะมากว่าพ่อนี่พ่อแม่แท้จรินมาเวลาจากกันแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกต่อไปใครจะไปรู้อาจจะกรรบมาเจอกันในในบทบาทที่ต่างกันก็ได้สลับขั้วกันก็นด้เขาเป็นพ่อแม่ยามนี้ต่อไปเขาอาจจะมาเป็นลูกเราก็นะ เราเคยจะสร้างเวรสร้างกรรมให้กับพ่อแม่ว่าเราไปพ่อแม่จะถามเร ข, อ ข, อขอคืนเนี่งกรรมของเกวยนเนี่ยเพราะคนตายมันตายแล้วมันไปเกิดเวลาไหนมันไม่แน่หน่อยมันคนตายแล้วไปอยู่สวรรค์แต่ตื่นตืนเนี่ยไปอยู่พรหมโนกตื่ปีแล้วไปตกล ง, งโลกต่นต่นก่อจะกลับมาเกิดมันก็อาจจะสลับขั่วกัน่ะเขียนบทควาน ถ้าคาถูกเี้งนี่ถ้าคนที่ต้นนดถืเรื่องความอันตรีนสัเป็นอันตรารยาถ้าเขาคิดว่าคนนี้เป็นแม่ของเ็เป็นแต่ถ้าเขารู้ว่าไม่เป็นก็ไม่เป็นสำคัญที่จะสำคัญที่ใจจะอยากกิน เพราะเขารู้ว่าเขาต้องมีแม่ได้คนเดียวจะเป็นมีแม่จุนจๆนสองคนไม่ได้ดังั้นเขาจะถือหลักตรงไหน่ะจะเอาแม่เลี้ยงพราะคนที่อุ้มท้องนี่ก็เป็นเหมืแม่เลี้ยงคน แ, แม่จริงก็ต้องเป็นเจ้าของขัายนะแต่กนณีบางทีแม่เลี้ยงอาจจะมีพ่อคนมากกว่าแม่จุนก็ได้เพราะว่าเป็นคนที่เลี้ยงดูมาทําให้ปรากฏเป็นกํำหนดขึ้นมา ดังนมันก็อยู่ที่ใจของคนนั้นว่าเขาจะคิดว่าใครเป็นแม่จริงของเขาหรือถ้าเขาคิดว่าเป็นทั้งสองคนก็ได้เพราะทั้งสองคนก็มีส่วนถ้าคิดอย่างนั้นชอบด้วยคนที่ถ้าไปท่าเขาก็มันก็เป็นอัมมันตอ ร, ริยกรรมทั้งทั้งสองคมไม่ว่าจะท่าแม่เจ้าของขันหรือแม่ที่เลี้ยงตัวเองอุ้มท้องตัวเองมา อย่าทำที่ดีก็อย่าไปฆ่าเลยดีที่สุดม่ว่าจะเป็นฆาแบบนี้ก็เป็นแบบมากนะแน้อยนะแต่คุณยังไม่ได้ฆ่าเลยแล้วคนที่เลี้ยงดูเรามาใช่ไหมแม้จะไม่เป็นหน้าจริงก็จริงแต่ถ้าเขาเลี้ยงดูมาเป็นดังพ่อแม่นี่ยเขาก็มีก็คุณเท่ากับพ่อแม่เพราะฉะนั้นมากที่ท่านให้ดูที่พวกคุณกันแหละคุณของผู้นั้นแมันจะไม่เป็นพ่อหน้าจริงแต่ถ้าเขามีบุนคุณเท่ากับพ่อแม่จริง ค่าตทองก็มันก็เป็นอันันตาริยกรรมเป็นกันทีเราอยู่ในโลกที่มันมีมีมาตรฐานใหม่เกิดขึ้นมาเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันเหมือนก็อาจจะต้องถือแม่ทั้งสองคนก็เป็นแม่ทั้งคู่แล้วถ้าคนใดคนหนึ่งก็เป็นอันันตริยกรรมทั้งคู่เพราะขาดคนหนึ่งคนใดก็ไม่ก็เป็นตัวตนขึ้นมาไม่ได้เหมือนกับพ่อกับแม่พ่อไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการอุ้มทองหรือ อะไรเลยแต่ถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีการสั้งฐานได้เช่นเหียวกันนั้นต้องดูคุณ็นหนักถ้าคุณเทียบเท่ากับพ่อกับแม่ก็เป็นเหมือนพ่อของแม่ถ้าเขาก็ก็เป็นอหมือ น, นตริยกรรม วท้องก็แล้วกันเนี่ยวาท้องก่อนนี่ใครจะมีคนถามถามได้ไหมครับคือตัวก่ น, นถามได้แบ ย, ยังตนี้แบบกาแล้วไม่อยากให้ใกูอยูแล้วแสดง ถ้าอยู่ต่ออยู่ได้ก็อยู่หใจไหเห็นมันต้องจากกันแน่นอนใช่ไหจะจากกันก็เจอกันได้นะไม่ได้จากไปหายไนะวก็ต้องไปตามทางของเขาต้มอวต้องมีทางเดินต่อเราไปผู้ส่งให้เขาไปเา้เปแล้ก็เปาุไปยไม่หวั มีเป็นยาส่วนคนท่ป่ามต้ก็ช่วยหาแต่เราไปก็ต้อทแล้วก็สักระสยมก็หายขึ้นก็บอกตามคำเป็นคือเรไปถ้าเราไม่มีปัญญาก็บอกก็ไม่มีนะแล้วเราอพยายามอย่าไปอยู่ก็ต้องงค่ะมีจะช่วยคือไม่ต้องจะไถามีานจก ที่เจรนาอชิพาต้องนงงเนี่ยเพราะว่าหนูเคยดูยูที่เป็นแบเมือดนิที่พอจแต็มๆวมกับตนเ่หนู่วดอย่างไร้วกให้กดูวจสองทางฝายเที่ตันเสผมเทาเียลกงดราตจามแน่ ก็ได้แตาาไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ชื่อประจานเจะนมนไม่ด้วยอะไรมาให้ต้องการให้อันสม่ภาพทามไมสวยงามไม่เห็นตรงกระดูกที่อยู่ภายในนะครับตุกอย่างนี้เป็นปอดเป็หัวใจนลำไส้ใครได้เห็นภาพแล้วรู้สึกว่ามันมันมีอะไงไปก็อยากขึ้นไดูมันเพื่ลึกภาพในใจรุึอย่านก่นกับ ถ้ามันรับไม่หวก็หยุดก่อนสแสดงว่าเรายังไม่มีกาลังพ อ, องรห ง, งให้พอว่าการทสมาธิความตื่นให้เฉีมากขึ้นไปกว่าควสิตื่นีมากขึ้น เ, นาาน เ, าานเราจะรักได้แล้แรงได้ของก่เลสมันก็ไ่เป็นมุต้องต้องดูกำลังของเราต้องดูว่าเราอยู่ท่านไหนบาทีเรา ย, ยังยังไม่ได้สมาธิเราข้างตอนนี้มันจะ ไม่ใช mm ่คืออะไ i เฮ r ย m ช่ไหมเยอะจาก Yes, I'm, I'm very, very much interested. In yes. okay. I'm very much interested. In Unfortunately, I c n speak two languages at the same time, <laughs> and no there, there's no translator. Yeah, no problem. But I think you probably can learn something from reading. Yes, yeah. I will read it and come back. Uh -huh. <laughs> But if you have any question, I, I can help you with. That. I would be happy. Even now, you want to ask something that that bothers you, or you want to know? No, right now I have Can no q u e s t i o n y o u e done any meditation? Yes, and I practice meditation many years, ten years or, or mm -hmm. longer. You know, mm -hmm. very early. I started very early, sixteen years, and then I stopped for ten years, and then I started again. Mm -hmm. And uh, i traveled many countries for Buddhism. Yes. And uh, I'm a photographer, mm -hmm. and I make a picture book about all religions of the world. Mm -hmm. And uh, so I met many holy people in the world, mm -hmm. and uh, and especially Buddhism. And I came to Thailand from Germany because it's a country that Buddhism okay. uh, is practiced, uh -huh. and so it s very important. Of c o u a t e we have different b r a n d h e s of Buddhism, <laughs> so they might appear different. But if you study the the t a c h i n g you f i p t h t they are the same. Yes, that's why. The way they think, yeah. go about it, they go in a different manner. Yeah, so yeah. So. So yeah. basically, it's composed of the three three three groups of practices: mm -hmm. uh, do g o o r avoid doing evil, avoid doing evil, mm -hmm. and c l r i f y the mind. Mm -hmm. This is basically the core of the Buddhist teaching, mm. and e t e r y other b r a n c of Buddhism teaches the same thing, but the way to do it might be different. Do good is like giving to a charity, helping other people. Avoid doing evil or bad things is like refraining from hurting other people. When maintaining the five precepts. a b s t a i n i n g from killing, stealing, committing adultery, uh, sexual misconduct, lying, and taking of uh, alcohol. This is uh, things that we should avoid from doing. Clarifying your mind is, is, is the practice of meditation to calm your mind and then get rid of the bad thoughts. l a k e y the desire for things, for material things, for to become something, somebody wants it. This kind of t h o u g h t can only lead to suffering, to unhappiness. So a s i l l y this is the h yeah, the path for all Buddhists to practice. But they can be different in because there are so many different ways of b e i n g that. But basically, this is what is all about. Okay. Thank you very much, Kapil Makan. Everything. o w is your wife? I've been w a i i n g to come. Do u s t send a e r e e y t h i n g Are there? Uh, they've been a w a i a lot. They both. o oh, one just went to Vietnam. The other one went to up in u country. Working. Yeah. Uh, for the industry. Uh, yeah, and some was just holidays. Okay. Yeah. So you just have to study, learn what you have to do, and then apply in your life. Because Buddhism is a is s a practical religion. So you cannot progress by just reading alone. Reading is just like studying a map. Uh, studying the recipe of, uh, of the food that you want to eat, you have to get all the ingredients together and cook it before you can have the food to eat. So t h a n i e Buddhism. When you read, it's like reading the recipe of a happy life. Once you have the recipe, then you have to apply that recipe in your daily life. Right? Like, right. Like if you drink alcohol, you should try to stop drinking. i s a n if you haven't done much charity, then you should try to do more charity work. Keep away things that you don't need. l e a v e a simple life. Don't need much. t o n t you have t The more you have, the more problems you have. <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> okay. Okay. Oh my o d Yeah. yeah. <laughs> Mm -hmm. That t yeah. there, there, a t h a t s a discourse by t h e Buddha in English in the back here. Mm -hmm. That t is for the to establish m i k e t h i c This is an important ingredient in Japanese m e d i c a n e e s o u l have this uh, mm -hmm. in e n g l a s h But the rest of t h time, we mm h -hmm. uh, the perception of the talk that gives p o p here. Mm -hmm. Mm -hmm. But this can help you in your meditation practice. Mm -hmm. This is for the Buddha. s i the b u d d instruction to the m i n d as to how to to purify the mind. Mm -hmm. Thank you. Okay, you want to copy? Yes. o r foundation right, of so. mind. Okay. ฉันพูดกับคุันพูดกับคุณฉันจลับาอีกฉันหวังว่าคุณจะพวามสุละคมีเด็ก้มาด้วยกันมีคำถามไหยจ๊ะมีไหมมีคำถามถามได้ลยมาสิครับเข้ามาเข้ามามาจะเข้าประกาบใช่ไ้ยดียังไงต่ดเชื่อเลยครับเข้ามาแล้วจัะ เสร็จท <os> <et> ุกคำถามได้เลยจ๊ะ เป็นอะไฟังมามาฟังนานเ่ยมาฟังแบบนี้ตัวเดียกันเห็นไหมแต่คงไม่เคยได้ฟังแบบนี <c <c ้มาก่อนแบบนานนี <c <c <c <c <c ้ย uh ังไม่ก็ได้ยินได้ฟังเท่าไหรยดังในยสองของการฟังเทศท่านแสดงไว้ว่าจะได้ยืนได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งที่ได้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็จะเกิดวางเข้าใจดีขึ้น จะช่วยคําจัดความสงสัยต่างๆให้เบาบางแต่ว่าทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องและทําให้จิตใจของใจมีความสงบนิ่งเยนเป็นส่วนนี่คืออริสุธของการบำาพ็ญกรรมฐานเพียงแต่ความสงบนิ่งเย็นนี้มันเป็นเนชื่อขณะที่ทำเทานั้นพอหลังจากที่ออกจากที่นี้ไปแล้วพอไปสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆ ควาความนยนเป็นนี้ก็จะถูกตกปถ้าอยากจะน้องเยนเป็นส่วนอยู่เรืรร่อยๆก็ต้องหมั่นฟังเทศฟัาอยู่เรื่อยๆลองุดให้ปัาสายเพื่อตื่นเช้ามาก่อนจะทาอะไรก็ว่างค้าสอนงงแล้วก็นั่งฟังเทศ ก, กันก่อนที่จะการทำการิบัตงานต่างๆจะมีเมกับเราได้มีไฟชารบตเตรี่ขอ ง, ของจิตใจของสติปัญญา เราไปข้างนองเราจะมีอาวุธความกลุ้มคลองจิตใจคว้ปลอยจับความโลภความโัรธความหลงที่จะหลอกให้เราไปสร้างความทุกข์ใหกับตัวเราและกับผู้อื่นได้ดังการฟังเทศน์ธรรมเรื่อยๆสำคัญมากพยานฟังเรื่อยๆแล้วโนฟังไปอบ่อยแล้วต่อไปก็จะเกิด่ศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติขึ้นมาเอง ล้าก็จะเห็นผล ม, มากขึ้นความสงบนรอบเย่นเป็นสุขสนมากขึ้นจะได้หวังเพินมาหาความสุขบานสิง่ง ต, ต่างๆภายนอกน้อยลงต่เพิ่มพลาน้อยลงเร า, าเห็นความสุข ท, ที่ดีกว่าที่มีอยู่จากการฟังเทศนทางการจากการปฏิบัติธรรพยาามใหม่ๆอาจจะต้องมันทับใจให้ฟัง เอาแผ่นนี้ไปตามกันด้วยแ่เอนี้ก็20ชั่วโมงแต่มันเป็นเอกสารไม่ดีคนักต่อเชื่อมเล่นไม่ได้ต้องหลักใช้ใช้รื่อความเสมมันเป็นตัวจิบประกายที่เราได้มาถึงตรงนี้ได้ก็อา่านสามได้อ่านเฉยทำับบเพียงนั้นเดียนง ไ, ได้ อ่าแย้มันไปลงไปสัมกัสกักสิ่งที่เรามันมีอยู่ในใจแล้มันรับกันได้มาแคเรนี้เทานันว่ามันมันช่วยจบพื้นความรู้สึกต่างๆที่มันถูกกอบเกลืจากการที่เราใช้ชีวิตชีวิตในทางโลกมีเรื่องอย่างอื่นมาจบซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความโลภความโกรธคางหลงเพราะเราอยู่กับคนที่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงพอเรามีโอกาสได้อ่านหนังสือธรรมะนี่เหมือนกับเราได้ อึ่งที่เราเคยมีอยู่จะถูกปลดไปพอได้อ่านเจอเนี้อได้สัมผัสกับสิ่งนี้มันก็ไปเหมือนกับเป็ไปดึงสิ่งนั้นที่มีอยู่ในใจเราเนี้ขึ้นมาแล้วทาให้เราสามารถที่จะนาําใช้เป็นประโยชน์กับชีวิติระจำของเราได้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปกิจการของเราจะมีความสะดวกความสบายมากขึ้นความทุกข์ความวายใจจะมีนอ้อยลงไปทางด้ครับ ความสงสัยความไม่มั่นใจในตนเองความหวาดกลัวหวาดระแวงอะไรต่างๆมันจะค่อยๆหายไปพระธรรมเนี่จะให้ความมั่นคงตลอดให้กับจิตใจเมื่อกลัวมองข้ามไปเป็นของที่มีคุณค่านิ่งกว่าเย่นงในเรืองนี้เพียแต่ว่าเขาไม่มีคุณค่ากันก็เลยเหมือนกันไม่มีคุณค่าต้องมาแจกกันของอย่างอืนี่ไม่มีคุณค่ากต้องซื้อกัน ก็ไปเห็นว่ามีคุณค่ากันเส้นเพชรเนี่ยมันก็เป็นก้อนหนิน mm hmm. เนี็กับกับธรรมะอันนี้นะ ม, นมันมีคุณค่าเหมือนกันแต่คนไม่เห็นคุณค่ า, คา mm hmm. ถึงธรรมะอะไเสียเงินเสียทางซื้อเพชรแต่มาแล้วได้อะไรก็มาใสา่ใส่มาห้อยคอมามาติดมาในนิ้วฮะนี่นล mm hmm. แล้ว ก, ก็ดีอกดีใจซื้นหอกตื้นใจใกับเพชนั้น mm hmm. แต่ความทุกข์ต่างๆก็ยังมีเป็นหัวใจ เราไม่ฟังมีอะไรจะถามไหมทอานก็นแบบนี้เขา็สมใช่ไหมทยังไงให้คนเลื่อนภนางอย่างง่ายแนะนำยังไนดีคเรื่องภาวรามแค่นั้นไม่ฟังเท่ก่อนมันต้องเป็นขั้นนึ็นตอนเราไปไปจักเขาญาติเขาไปในขวดก็ได้แนั้นเขาเข้าไปเองราไม่ร้องภาวนาเราไปบวชต้องภาวนาเพื่เกีย แล้วก็จะเกิดความท้อแท้ได้สร้างทางได้ต่อต้านได้ไว้ให้เขาเกิดศรัทธาจนทบมียะขึ้นมาแล้วเ้าทาเองจะรู้ได้ไหว่าผไม่่อทำไปถะฟังไยเถยังไม่กการขอขายเลยเลยถามไปเมืเ่อข้อนึ่งข้ง อ, งอส อ, อ, <c oughs> ของข้านุบาลไปก่อนกอกาขอขายไปก่อนฟังเทศฟังธรรมไปก่อนฟังแล้วพอมันเกิดความเข้าใจแล้วมันก็จะ มันก็จะทำเองเดิยเดินทางก็ต้องมีคนหนอกทางก่อาไปตรงนี้นั่นก็มีอะไรเหมือนกับเป็นเหมือนการดูโฆษณาของสินค้าในชวทัศน์นี้เขาจะบอกว่าของนี้ใช่แนละ้วอยากทำให้เราวิเศษยังไงจะมีประโยชน์ยังไงพอเราได้เห็นโฆษณาแนละ้วเราก็อยากจะไปซื้อละแต่ถ้าเราไม่เคยเห็นโฆษณาเราก็ไม่รู้ว่าของที่เขามีอยูน่นี้มันวิเศษหรือไม่ นี่ก็เป็นเหมกับเป็นเป็โนโฆษณาการแสดงธรรมนี่ก็เป็ น, านาทางโฆษณาธรรมแสดงคุณค่าของธรรมนะพอเราได้ยินได้ฟังแล้วเดี๋ยวเราก็จะเกิดความยินดีอยูถ้าไม่เกิดก็ช่วยไม่ไดนะครับเราเกิดไม่เกิดนี่มันข<อ>ึ้นอยู่กับบนนุญเลยคบุญกั้นบัลงก์เปนเหมัวสี่เล่าคนนี้มีก็ ม, มีกิเลสมากกิเลสน้อยถ้ากิเลสน้อยก็เกิดง่าย พออนได้ยินได้ฟังทรรมแล้วจะเกิดศรัทาาถ้าสิเลนหนามากจนกระทั่งแสงสว่างธหรมทรรมนี่ไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปได้เลยเนี่ยพวกนี้ก็เป็นบัวเหล่าที่เสียบัวที่ติดติดยึนบัวที่จะต้องการเป็นอาหารของปอของปลาไปไม่มีโอกาสที่จะโถยเหนือน้าขึ้นมาบานได้แต่บัวสามพวกนี้เนีย่ยพอมีโอกาสก พวกทีอยู่ทาง น, าน้ำพวกที่อยู่เกือบจะถึงถิ่นน้ำอยู่ใต้ถุง น, น้ำแล้วก็พวกที่โถน้ำขึ้นมาแล้วพวกนี้พอได้สัมผัสกับธรรมปัจรับทันทีได้ข จ, จะเกิดศรัทธาจะเกิดความดีดีดดด ท, ทันทีก็เหมือนศรัทธายาโยมที่มาเมื่อก่อนนี้า็ไม่ได้เป็นอย่างนี้คนแต่พอได้สัมผัสกับธรรมขึ้นมาได้ได้ศึกษาได้ยินเรื่องราวมากน้อยนับต่างคนทีมีเชื้อเก่าอยู่แนละ้ว พอได้สันสัตว์นั้นก็จะเกิดศรัทธาขึ้นหมาเองถ้าไม่เกิดก็ต้องพยายามบางคับถึงฟังไปเรื่อยๆพยายามเกาะติดกับคนที่เข้มมีศรัทธาเพรไปแล้วก็ไปนะครับไม่เวลานมาจะไม่เข้าใจไม่สนใจก็ขอให้ได้ไปไดอย่างดีไปไปเรื่อยๆทั้งวันห น, นึ่งแสงสว่างนี้มันจะต้องทะลุเรื่อดเข้าไปจนได้ทั้งวันนี้ขอให้เราเกาะติดไว้ก็แล้วกันท่านสอนให้เรามีกนนารพยายามนั่นเอ ให้พบคนดีกบ ค, คนฉลาดอาศัยวนนาจะบาลานางบำ น, นาตามบำเจ้่จเสวนาหละบคือพบบรรดุคบคนดีคนฉลาดอย่าไปคบคนพาลคนโง่พบคนโง่เพราะว่าชวนเราไปเที่ยวไปยิงนักาไปเข้าผักไปดิงหนังฟังเพลงไป่ไปเต้นล้างเต้นกลางม น, นีะเจอพวกคนพาลนะ หลองพ่อคะเป็นคนกลัวผีมากเลยคะ่ะรู้สึกทรมานมากอยากอยากหายกลัวคะ่ะก็ใช้วิธีสวดมนต์ในเวลาเกิดความกลัวแต่แว่าไม่เคยเจอคะ่ะแต่แไม่มได้เคยเจอเ<อ>พราะไม่มีที่นะัะแล้วกลัวในสิ่งที่ไม่มีกันผีจริ ง, ม, ร <c oughs> งมันไม่หรอก <c oughs> นะผีปลอมมันหลอกนผีปลอมก็คือเราสร้างมันขึ้นมาในใจเราเองจะสวดมนต์จช่วยค่ะ คือแล้วครับผีปลอมไม่ให้มันโผออกมาเพราเราไปคิดถึงมันพอคิดถึงมันมันก็โผล่มาพอเราไปสวนวันเราก็ไม่มีโอกาสที่จะคิดถึงมันพอพอสวด้เรื่อยแล้วจิตมันหยุดคิดตั๊มันก็รู้ว่าไม่มีมันเกิดจากความคิดของเราสร้างขึ้นมาเองนี่จริงเขาก็าจะอยู่ของเขาตามไม่ของเขาดวงวิญญาณต่างๆก็เหมือนเราดวงวิญญาณทุกดวงก็กลัวผีด้วยกันนะแล้วเรื่องอะไรเขาจะมาหลอกคนนะ เขาต้องมีบุญมีกรรมมีที่ที่เขาจะต้องไปมันก็ตามตามเพราะเขาเป็นดวงวิญญาณเมื่อแต่เราราดับของเขาตามบุญตามกรรของเขานี้คนที่มีมีสมาธิเขาต้องมีมีพลังจิตที่จะสามารถติดต่อกับเขาได้ก็เหมือนคุยกันอย่างเนี้ยก็คุยได้แต่เราไม่ต้องมีร่างกายควมีขนาดที่ระดับตามส่งกระแสจิตคนที่เียดวงจิตที่ไม่มีร่างกายเขาจะเข้ามาในในกระแสจิตของคนคนนั้นเพรสนธนาคุยกันหอย่างนังนั่งคุยกันอย่ ก็ไม่เห็นมีอะไรนากลัวความตัวไอสิ่งที่นากลัวนี่นมันเป็นกิเลสมันหลอกเราฉะนั้นถ้าเกิดความกลัวพระุจธเจ้าสงสารให้เราระลึกถึงพระพุธรรมพระสงด้วยการจเจริญพระพุทธคนระรมคุณพ ร, ระสังค ร, งรับสวนอรหาาัสัมมาสวาดิ์าตสุตตะิปนตัตรวจกายาไปิยดย์ออาส่งใจไปทิพยรื่องที่กลัวถ้าตรวจไปเรืร่อยๆให้ตรวดไปจนกว่ามันจะหายตัว แล้วมันจะหายแต่อยา่าไปอยากให้มันหายตอนที่เราเสียอย่าไปคิดถึงว่าเมื่อไหร่จะหายเมื่อไจะหายส่วนลูกเดียว <c oughs> พุโทโคําเดียวก็ได้เวลากลัวมากๆถวจจำอะไรไม่ได้กับลองพุโทโธเดียว <c oughs> เดี๋ยวมันจะนิ่งจิตเขามันสงบนิ่งแล้วมันความกลัวหายไปมันก็จะรู้ว่าความกลัวเกิดจากการเราไปคิดเพืแต่ขึ้นมาเอง <c oughs> แต่บางทีต้องไปอยู่ที่ตักลัวมันจะ ถ้าเราอยู่ที่ไม่กลัวมันก็ไม่ออกมาเนี่ยคือเวลาอยู่กับเพื่อนกับโผลอยู่ตอนกัางวันนี่มันถ้าออกมาแต่เรามาอยู่ที่นี่คนเดียวนี่เป็นเดี่ย ว, ย ม, วมันอยู่ที่ใจเราวิธีแก้ก็คือสวดมนต์รับแบบโยกโยกไม่พูดโท้อย่างเดีย ว, วรับรองได้ว่าจะแก้ได้พัดไปน ะ, น ะ, นะนะ เพราะว่าอย่างใ น, ง น, งนชีวิตประจําวันเรือใชีวิตการทำงานเนี่ยที่เราต้องไปเกี่ยวขอ้องกับผู้คนเยอะๆเแล้วก็หลากหลายรูปแบบเรามีวิธีคือคือแต่ละรูปแบบเนี่ยบางทีเข้ามาโดยเราตั้งตัวไม่ทันบางครั้งเนี่ยเราจะมีอารมณ์<ล>เ ร, ร้วก็ต้องเรียนรู้แล้วแก้ไขไปเหมือนกับทุกอย่างก็เหมือนกับฝนกับแดดนะฝนกับแดดเราก็รู้จักวิธีปฏิบัติท่าเท่าใช่ไหมถ้าวันไหนฝนมันจะตกเราก็เตรียมร่มเตรียมเสื้อผนไว้ เรียนที่หลบแดดหลบเสียงคนก็เหมือนกันพอเจอเขาเราก็ต้องรู้จวิธีปล่อยวางปล่อยเข้าไปตามเรื่องของเขาถ้าเขแสดงที่ริยาการงานก็อย่าเอาเข้ามาใส่ใจเราคือเราต้องยอมรับว่าเราไปบังคับขาไม่ได้เหมือนกับเราบังคับแดดบังคับลนบังคับฝนไม่ได้คนที่รังคือเขี่ยเข้ามาด้วยเราก็ไปบังคับให้เขาทำตามใจเราไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าไปหวังอะไรจากทางพื่อเงื่อนง่ายสโลแกน เขาจะเป็นยังไจะเต้นร áng, ั้งเตินกาเขาจะเดาเขาจะเาศีรษะเดินแทนเราเท้าเดินก็ เ, เรเื่องขอเขาเขาจะดา่าเราหรืก็จะชมเราก็เรื่องของเขาเพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้คนะือเราต้องฝึกห้ามใจเราีิถีที่จะห้ามใจได้ก็ต้องทําสมาธิต้องนั่งหมักชาแล้วก็พุโทโธพุทโธไม่ให้ใจจะคิดอะไรเน้นใจไว้ให้มีุดทุดโทโธพุทโธต่อไปเวลา ใจจะไปวุ่นวายกับเรื่องของขาดก็ดึกมกลับมหาพุโทโธพุทธแล้วมันก็จะไม่มันก็จะไม่เดือดร้อนนั้นต้องพยายามฝึกที่เราขาดก็คือสมาธิเรื่องการเบินทางพุงโทโธเราดึงใจเราไว้ไม่เป็นถูกใจเราให้นิ่อยู่กับที่ไม่เปลี่ยนพออะไรมาสัมผัสแล้วก็ไปเไปเหมือก น, กนกับปุยนุน่นพอลมเบาๆพัดมาก็ลอยตามไป พอมีอะไรมากระทบต่างตาหูจมูกลิ้นกายในทางใจนิดเดียวก็ไปแล้วโกรธก็โกรธแต่ไม่หยุดไม่ยอมไม่ยับไม่ยั้งเพราะเราไม่มีสมาธิเราไม่มีเบรกอันนี้ไม่มีใครทำให้เรได้เราต้องฝึกทำกันเองในทุกเช้าก่อนจะไปทา ง, งานก็นั่งสมาธิ ก, ก่อนฟังเทศน์ฟักธรรมก่อนจะมีเครื่องมือที่จะใช้ปฏิบัติกับเหตการต่างๆในชีวิตของราได้ ธรรมะจะช่วยสอนให้เราปล่อยวางให้เรายอมรับความจริงว่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมืนมฟ้าเราเปินหวังว่าให้แดดออกหรือผลตกงม่ทั้ใดแล้วก็ไปหวังให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงของคำเขาด่าเราก็ต้องยอมรับความที่เขาด่าเราเขาชมเราล้วก็รับความจริงที่เขาชมแต่เราอย่าปยินดีกับคํำชมและอย่าไปเสียใจกับการด่าของเขา ก็จะทําให้เรายึดจิดกับงเห่านั้นเราต้องทําเฉยๆเหมือนกับสมก็ได้อยากก็ได้เท่ากันมีน้ําหนักเข้าไปแล้วเราก็จะไม่หวังหวับอะไรทั้งส้นไม่หวังไม่อยากกับอะไรทั้งสิ้นเพราหวังแล้วมันผิดหวังก็เสียใจพอสมหวังก็อยากจะได้มากขจะไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าไม่ไม่หวังไม่อยากแล้วก็จะสบายมาในรูปแบบไหนก็รับได้ให้หมด คือวิดีโที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันที่ออนนท ว, นะว่าควรจะงกันนะควรจะดินละก่อนนะข้ <c oughs> าพเจ้าไปคิดอยู่เรี่อยๆฟันะงอยู่เรื่อยๆที่แท้แค่ตานี้น จ, ะจะพูดเรื่องแหบนี้ทนน <c oughs> เท <c oughs> ่นั้นเราลอจะเปิดฟังดูดูทีเดียนี้ครับทีนี่เจ้าว่าที่เราได้ยินมานผูกอยบ ตรงที่ว่าในการทำสมาธิเนี่ยถ้ากว่าเราภาวนาที่ทุกขานิสติกเนี่ยจิมตมันจะรวมลงลงแค่อิปนาสมาธิแต่ถ้าหากว่าเราใช้อานาทนาสติกเนี่ยจิตมันสามารถรวมลงมาถึงอานาสมาธิอันนี้ไม่ทราบในในจริงอ่ะไม่จริงอ่ะอยที่คนมากกว่าว่ามีพลังทางด้านสตินับเท่าถ้ามีสติเด่นติติได้มากมันก็จะรวลึกถ้ามีสติโน่ามันก็ลวมได้งอ แ o ่คนหนึ่งก็บางทีก็คงอยู่รับสิ่งไร้นองด้วยส่งเร้งบางทีก็จะเดินให้เมินด้ยแเราอยู่ในบ้านเมือง้องนาบางทจะลงไม่เทแต่ถ้าเราจะอยู่ในต่านในเขาเราจะลงะและ้วเจอเหตุการณ์ที่มันทำร่างจิตให้ลงเชหลวงปู่หขาวท่านเดินดวงคงตอนคืนเดิน่ดินตานคืนแล้วท่านไเรียนหกับเสือพอเห็นปับท่าน่จิตมันลงไปสึก ก้นบอนเลยตอนนั้นท่านบอกว่าร่าเสือก็หายไปล่างกายก็หายไปเหลือแต่จิตอยู่ตัวเดียวตามลำพังแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่นานสักแค่ไหนพอถอนล้วมาเทียนที่ท่านท่านท่านใช้ใช้กับกับโคมผ้าของท่านเนี่ยมันไม่หายไปหมดแะแต่แต่เวลาที่ท่านเยืน อ, อยู่ในขณะที่เจอเสือก็ยังยืนอยู่นั้นไม่ไดเป็นอะไ ร, รยืนนิ่งเหมือนกับกันขุนที่คเพิ่ม ใจติดลงไปพระท่านมีนิยมไปอยู่ที่เปลี่เปลี่ยวที่น่ากลัวน่ากลัวที่จะเป็นตัวกระทบเนื้ะแทกใจให้มันลงไปสู่สู่ที่ความสงบที่ลึกที่สุดได้แต่ถ้าอยู่้นที่ปลอดภัยอยู่ในที่มันมีเรื่องราวต่างๆมือคอยดึงใจไว้มันจะลงในลึกลงายากแค่ของปากของคอ ส่วนใหญ่คารามาณนี่จะไม่เคยเจอแบบลงนีดๆเต็มที่แบบคนเห็นไม่้มีน้อยคนอ่าคนที่ไปอยู่ในป่าในแาวนี้จะจะได้นั่นไม่ได้อยู่ที่ตัวกรรมฐานกรรมทา40 40นสี่สิทธิ์ีใช้ได้เลยมีคุณค่าเข้ากันขอให้ม่ถูกจริตกับเราทาั้งเหมือ น, นกับอาหารที่เรารับประทานกินแล้วอิ่มเหมือนกัน โดยตาบางคนชอบกินอาหารนิดหนึ่งอีกคนชอบอีกชนิดหนึ่งเวลากินก็อาจจะอาจจะฝืนกินบางคนอาจจะถ้าไม่ชอบก็ต้องฝืนกินแต่มันก็อิ่มเหมือนกันแต่ถ้าชอบด้วยก็กินแล้ว timeline, มันก็มีความสุขมันก็อิ่มด้วยในขณะที่จุกมันมีความสุขในขณะที่เราภาวนากับกรรมฐานที่ถืกเจริญกเราแล้วก็มีความสุขของการภาวนาเนั้นแล้วก็มันก็รวมลงด้เหมือนกัน ถ้าเราไปใช้สรรมฐานที่เราไม่ไม่ถูกจริญที่เมื่อกี้มีกรรมฐ า, านว่าพิจารณาร่างกายกําหนดดูผ้ารสิทธะแล้วรู้สึกว่ามันแสดงใจนับไม่ได้เดี๋ยวหัวขึ้นมาเนี่แสดงว่ามันไม่ถูกจริญ ก, กับเราเนื้อธรรมจิตของเรายังไม่ได้ถึงธรรมในขั้นระดับนั้นที่จะใช้มันเป็นเป็นกรรมฐานแล้วก็อยากไปใช้เมืนเมื่อเอาที่มันถูกจริญของเรา ท่านงมีกำหนดไว้ถอง40ชนิดด้วยกันกรรมฐาน40แต่ส่วนใหญ่ที่ครูอาจารย์ท่านสอนก็มีอยู่ที่พูดเนี้ยพุทโธสวดมนต์ดลมหายใจท่อเป็นพื้นๆแต่ถ้าปฏิบัติเจ้าหน้าแต่ละศึกษามากขึ้นก็จะรู้เองว่าคุณจะลองชนิดไหยดูบ้างต่อไปขอให้เราทำก่อนเถอะอย่าไปคิดมากมีแต่้ง ตั้งท่าเปลียนตัวจะออกเดินทางแต่ไม่เคยเดินเมื่อี <c oughs> มีแต่ปัญหาหลากหลายจนลุกไฟทำมันไปเลยแล้วปัญหาจะเป็นไงก็ไปแก่กันข้างหน้าถ้าไม่ทำมันไม่ไปถ้าไม่ก้าวเดินมันก็ตามไม่ต่ด <c oughs> ไปแล้วถึงมาจะลื่นจะล้มบ้างล้มลุกขขานก็ยังดีกว่า ตั้งข่าวอยู่เนี่ยทำได้เถิดไม่ยากเยังเนี่ยกลับในบ้านทำไปเลยก็ยังดีเดี๋ยวมันก็ขยายไปเองถ้านั่งได้แล้วนั่งดีมันจะติดใจแล้วมันจะนั่งทำงานพหเยอะข้อสำคัญอย่าไปทิดเรื่องอะไรกันานมาถ้าอยู่กับพุทโธถ้าอยู่กับแบบวนวนถ้าอยู่กับลมหายใจ อยากคิดเรื่องนั้นเังนี้คนนั้นคนนี้ที่นั่นที่นี่ต้องเดินกลับมาอยู่ที่แบบเงินอยู่ที่ทุดโทเรื่ยแต่มันเดินนังแล้วมาพอเป็นเพลินบทีเครื่องชวงผ่านไปเราไม่รู้สึกตัวแต่ใหม่มันก็อาจจะยากหน่อยก็จะเหนกับการชักะยื้องใจที่มันมีกิเลมันจะถกดงอกไป้างอกยเรื่อยใหไปคิดเร่อนันนี้เเราก็ต้องเดินมันข้อหาทุกโ้เนี่ย ใหม่ๆเราอาจจะมีกําลังน้อยกว่าเขาเพราะเขาเป็นเจ้าเป็นเนชั้นอยู่เก่าชั้นเก่าอยู่เขาก็จะเบ่งออกไปเรื่อยๆแต่เราเป็นแบบทอรหดไม่ไม่ยอมแพ้ดึงไปได้ล้วก็ดึงกลับมาได้เริ่มต้นใหม่พุทโธใหม่เราก็ดึงไปก็ดึงกลับมาใหม่พุทโธใหม่ต่อไปแล้วก็จะมีแรงมากขึ้นถ้าไม่งานจะไม่มีพระพุทธเจ้ามาสรากฏไม่มีพระอะไรมาปรากฏในเรื่องนี้ได้ ถ้าทำไม่ชนะกิเลสทำไม่ชนะอธรรมแล้วก็ไม่มีทางที่จะมีศาสนามีพระอาหารหังมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏได้แต่เพราะว่าทําในชนะอธรรมได้ทาชนะกิเลสได้จึงมีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหังมาประกฏเป็นที่พึ่งเป็นสารญะของพวกเราฉันขอให้เรายึดสัญญานี้ด้วยการปฏิบัติจะยึดแบบก่อนได้ที่ช่ไห ม, มีพระห้อยคอแล้วถือว่ามีสัญญาแล้วใช่ไหม พ้ะก็จะลูกไว้กับบ้านในบ้านในศาสนาไม่ใช่นั่นเป็นเพียงเพียงเพียงเครื่องเตือนสติเนัเองเป็นเครื่อง เ, อง เ, องเอตืเนเอนบ อ, อ, อกว่าถึงเวลานั่งสมาธิแล้วนะถึงเวลาทำบุญให้ทานแล้วนะถึงเวลารักษาศีลแล้วนะนี่คือความหมายของพระที่มีไว้ในบ้านที่เราคอยนว้นใจอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองมีประโยชน์เพียงเท่านั้นแต่พระไม่ไล่ผีไม่ได้ หลับทางกลัวม่ได้พระทีเราห้อยขอต้องพระในใจพระธรรมเปุกเผยระดับได้ <c oughs> ล, ลัโไปกับดีแบบนี้น <c oughs> อนคนนี่ครับสีจะไปดครเดี๋ยวขอ่อยอด้วคก็จะถ่ายด้อย่างอย่างนี้บทสวดมนต์นะคะทาให้เรามีสมาธิใช่ไคะแล้วแล้วเรกอะไรอ่อันนี้ส่งของบทสวดมนต์ที่บอกว่า ตัวดาจะมาคุ้มคองอย่างนั้นนี่นนนเป็นแค่กุศโลบายหรืเอเปล่าครับคงจะเป็นกุศโลบายมากกว่าเป็นโฆษณาชวนเชืเ่อให้เดินเขามาหาถ้ามันมีประโยชน์ก็ต้องเข้าใจคามมายของของบทสวดมันเพราะมันเป็นคาสอนของพ่อปิเจ้าก็จะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาท่านนั่นเองถ้าไม่เข้าใจก็เป็นอุบายของสมาธิ เป็นกุศลบายยึดจิตมาให้ไปคิดให้เกิดความกุาลเกิดความตัวเสื่อมแต่ไม่ได้ทําสวดบทนี้น่าจะร่ํารวยค้าขายคาขายดิบขายดีได้สามีที่น่ารักก็เพื่อสุดตายนะาไม่โฆษณาเงินเท่านั้นบทนั้ก็ได้ที่เราจำได้เพราเราต้องการทํำศิลให้สงบซึ่งมีคุณค่ายิ่งกว่านั้นในโลกนี้มีความทรัพย์ถึงสมบัติเจ้าของเงินทองยิ่งกว่าสามีภรรยา อาจารยนะาครนะยทาวริวหาตุราภริภรินติกะลังเอวันิวะอิโตนัเตตาณูปะคัปะติอิติตังปติางตุมังติปะเมวะสนิจะตุสัพูรตสังกป ยันทปนะาะสุยถาเมนโชตระสุยถาสัพตโยวิวันตสัพพะโรคลเมาสัตโตมาเตปวัตวันตาลาโยสุขิติขายุโกภว ทิวาทราสีนิสสนิจังธาปะจายโนจตารธหตมาวะทันติอริโตโนสุขังวะลา คือมีเล่องใหพูอยู่ที่ชนะเื่อนมาแจะมีมนี่จะพูดอะไรมีนักหมมีเือู้เลยได้ แกเทียวไม่ได้ฉันนอนข้างล่างไม่เป็นปัญหาต่กระเพาะเนี่าท่อานจะกอะจายมนจะเป็นจากขนาดโตมากกว่าก็เป็นพยางหดเเป็นเือขงราันเลื่อมเต่ยาด้วช้ช่อ่างนีก็ยา Okay. Now, are you here during the week? Yes, most of the time. If I came on a weekday, what's the best time? After one o'clock. In the morning, do you have dinner? Is p r i e s t coming up d o w n in the morning. h t down below? Down below. y e about s a t i t y If I want to go you, e f o r e t h e o'clock, if you want to t e to top t after and a f t e one p.m., but you want to g e food dinner, you have to come about seven seven And, uh, This there. week you're not g o well, i n g really okay. mm -hmm. a n y w a e I h a e a different plan. o k a Is t h e r phone number to c a l l e No. no. You want to make sure? Just come, n t h n you l l follow s If you don't see me up here, then come down to the. Sometimes I have to and work on the computer because I have s a m e c r o d t i n to to prepare for printing. So if you don't find me up here, then I'm down t h e r e it. Okay. When do you think you're going to come? Friday. Friday. Okay.